ตนี้เราก็มารวมศึกษาเรื่องอะไรเนอะลืมนอ้อของเรื่องพรหมิหารเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเมตสูตรนั้นก็ผู้ศึกษาคงไปอ่านต่อได้แหละไม้ว่าพร ม, มิหารไม่จบสักเพีงนี่ก็คงจะกล่าวถึงพรหมิหารนะเอกสารคงเอามากันทุกท่าน การเจริญพรหมิหารซึ่งทําที่อยู่ที่ประเสริฐให้แก่ใจเรานะคนที่มีอยู่ท่าที่อยู่ทางกายแล้วก็สบายหน่อยเพราะงั้นเถอะเวลาฝนตกก็ไม่เปียกเวลาหนาวก็อุ่นนะเวลาร้อนก็เย็นสุขสบายไปทุกอย่างเพราะงั้นว่าคนที่มีที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมีความสุข แต่คนที่มีที่อยู่ที่อาศัยทางใจบางนั่นแหละมีที่อยู่ที่อาศัยที่ประเสริฐที่อยู่ที่อาศัยที่ประเสริฐนั้นก็คือพรหมิหารนะถ้าจิตใจมีที่อยู่ที่อาศัยคือเมตตาถ้าใจมีที่อยู่ที่อาศัยคือกรุณามีที่อยู่ที่อาศัยคือมุทิตาหรืออุเบกขาคนที่มีที่อยู่ที่อาศัยลักษณะนี้ก็เป็นคนที่มีความสุขนะแล้ว การที่บุคคลมีที่อยู่อาศัยคือเมตตาเป็นต้นสามารถที่จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไปหาคนอื่นต่อไปได้เพราะว่าเมตตานั้นไม่จําเพาะอยู่เฉพาะในใจอย่างเดียวอย่างเลื่อนออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเลื่อนออกมาทางวาจาก็จะเป็นวาจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาขี้ทางใจก็คิดเป็นใจที่ประกอบไปด้วยเมตตา อนคนที่มีกายที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นต้นนั้นคนใกล้คนที่อยู่ใกล้ๆนะเขาก็จะมีความสุขด้วยเพราะเขาจะไม่ระแวงภยัยแต่คนที่มีกายกรรมประกอบไปด้วยโทสะนะคนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็จะหวาดเสียวหวาดกลัวว่างั้นว่าต้องนั่งไกลหน่อยว่างั้นพ้ ร, รัศมีมือหรือยัง <c oughs> โกรธขึ้นมาแล้วจะหวดนะบางทีก็ไลยท่านมือไวหน่อยนะ ต้องอยู่รัศมีไกลๆหน่อหาสาวหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ค่อยหลบไปพ็เจออะไรก็คว้างตาอันนั้นแหละนะก็คือคนที่ขาดเมตตากายกรรมนั้นคนอยู่ใกล้ๆก็จะทุกข์จะเดือดร้อนจะหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่มีเมตตากายกรรมนี้เราไปอยู่ใกล้ๆเราจะไม่หวาดระแวงเลยเราจะไม่หวาดเสียวเราจะไม่หวาดสะดุง้งคนที่มีเมตตาวาจีกรรมก็เหมือนกัน เราเจรจาด้วยพูดคุยด้วยก็สบายใจแต่ถ้าหากว่าอยู่กับคนที่ขาดเมตตาวาจีกรรมเรานี่ก็หวาดระแวงและคอยหาคำแก้ตัวตลอดนะสังเกตนะเราไปอยู่ใกล้กับคนบางคนเนี่ยเราหาคำแก้ตัวกับเขาตลอดเลยที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาให้อภัยคนไม่เป็นนะเมื่อเขาให้อภัยต่อคนอื่นไม่เป็นเนี่ยเราก็คอยหวาดคอยระแวง สะดุ่งสะเทือนหาคำแก้ตัวจะได้ไม่ผิดเมื่อไม่ผิดตัวเองก็จะได้พ้นโทษไปแต่กับคนบางคนนี้เรายินดีสารภาพบาปเลยว่างั้นเราคิดใหม่ดีเรามีความผิดเราไปล่วงไปละเมิดไปผิดไปพลาดไปพลัพล้งอย่างไรมาเราก็กล้า บ, บอกเขาเพราะเขารับฟังแล้วเขาจะแก้ไขให้เราทั้งหมดเลยเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเขาจะแนะนาเราเขาจะไม่ดุไม่ด่า เขาจะแนะนำว่าเสียหายอย่างไรผิดอย่างไรถูกอย่างไรเป็นต้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีความประพฤติผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็กล้าสรารภาพว่าข้าพระองค์นั้นเป็นคนโง่เป็นคนเขลาทําทไปด้วยความโง่ทําไปด้วยความเขลาอันข้าพระองค์นี้เห็นโทษ ด, ด้วยความเป็นโทษแล้วก็ขอให้พระผู้มีพระภาคนั้นช่วยอดโทษเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้สารวมระวังต่อไป นะพระ อ, องค์ก็บอกว่าเออดีแล้วละการที่เธอทั้งหลายเห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินยัยแล้วในขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็แนะนําว่าถึงผลได้ผลเสียในการกระทําผิดพลาดเป็นต้นนะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ดุไม่ได้ด่ามไม่ได้เหยียดย้ำดูหมิน่นดูแคลนอะไรแต่ตรงกันข้ามนะจิตของพระ อ, องค์ก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาวังดีเกื้อกูลเหมือนอยู่กับบุตร น, น้อยนะ ก็บอกว่าคนที่อยู่บุตร น, น้อยเนี่ยมีแต่คําพูดที่ปลอบอกปลอบใจชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นศาสทั้งหลายเวลาเข้าไปอยู่ใกล้พระองค์ก็เหมือนกันก็จะได้รับความเย็นอกเย็นใจสบายกายสบายใจไปด้วยไม่ต้องหวาดระแวงปล่อยใจเต็มที่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคนเนี่ยส่งกระแสจิตคิดตามพระพุทธเจ้าไปตลอดแต่คนบางคนไม่เป็นลักษณะนั้น นะถ้าเราเคยฟังคนพูดเยอะๆเนี่ยนะเราจะรู้ว่าบางครั้งเราฟังบางคนพูดเราระแวงทางใจอยู่ตลอดเวลาเลยเราเรียกว่าระแวง น, นะเออหลอกเราหรือเปล่าหวังดีกับเราจริงหรือเปล่าคําพูดของเขามีโทษไหมคําพูดของเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะอันนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนที่ปราศจากเมตตาบางทีก็จะเป็นลักษณะนั้นเป็นชีวิตที่หวาดระแวงเป็นชีวิตที่ตื่นภัยอยู่ตลอด คนที่เห็นอณนนิสง์ของการเจริญเมตตาว่ากายกรรมของเราก็ตัวเองก็จะมีความสุขก่อนนะแล้วก็สามารถที่จะแผ่แอบความสุขอันนี้ไปให้กับคนอื่นได้เพราะว่าเมตตานี้เกิดร่วมกับจิตชนิดไหนบ้างเกิดร่วมกับมหากุศลนะของพวกเราทั้งหลายนะถึงแสดงออกมาทางกายก็เป็นมหากุศลนะมหากุศลซึ่งมีธรรมรมณ์เป็นอารมณ์นะมหากุศลอันนี้เป็นกายกรรมได้ไหม ได้นะเป็นทั้งกายกรรมเป็นทั้งวจีกรรมเป็นทั้งมนโนกรรมนะเมตตาเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงลืมทวนอภิธรรมหน่อยเดี๋ยวจะลืมทั้งหมดนะเมตตาเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงนะเกิดร่วมได้ทั้งแปดดวงนั่นแหละคือเกิดร่วมกับมหากุศลจิตได้ทั้งแปดดวงนะดวงที่หนึ่งเป็นยังไงเมตตาดวงที่หนึ่งเป็นยังไงถ้าใจประกอบไปด้วยเมตตาดวงที่หนึ่งนะ ต้องให้ยยมอาจารย์ธนัทช่วยสงเคราะห์ลูกศิษย์แล้วมั้งแม่ตาดวงที่หนึ่งเป็นยังไงเนอะนะสูตรมีอยู่ว่าดวงที่หนึ่งใช่ไหมสมนัทนะอาสังขาริมีปัญญาประกอบนะสูตรง่ายสามคำาังงาั้นเถอะหนึ่งใจดีวังงาั้นดีใจใจดีอันเดียวกัน่ะ สองฉลาดสทํทำเองว่างั้นไม่มีใครชวนเลยเมตตาลักษณะนี้ก็คือคนที่เมตตาด้วยความเออบอิ่มใจสบายใจแล้วมีกำลังใจนะนะเรียกว่าใจนี้อาจฐานมีกำลังมากเจริญได้เองเลยนะที่จริงก่อนหน้านี้อาจจะเรียนมามากแต่ช่วงนั้นอาจจะเจริญได้เองเลยนะเช่นมาฟังเรื่องเมตตามาานมนานละเออพิ่งมาเจริญเป็น แต่ว่าช่วงที่เจริญนี้ไม่ต้องขับกลอบอะไรมากมายนะเรียกว่าไม่ต้องปลอบไม่ต้องปลอบก็สามารถที่จะเจริญเมตตาต่อไปได้คนที่เจริญเมตตาโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นปลุกปลอบใจหรือไม่ต้องปลุกปลอบใจตัวเองลักษณะนั้นเป็นอาสังคาริกนะแล้วก็ขณะที่ทำก็ทำด้วยความสมนัติทำด้วยความสบายใจอันนี้มาหากุศลนดวงที่หนึ่งนะแต่ถ้าเป็นดวงที่สองเป็นไง ดวงที่สองก็มีเมตตาอีกนั่นแหละแต่นะชักชวนตัวเองหน่อยแต่ก็ทําด้วยความดีใจใช่ไหมชักชวนนี่ชักชวนยังไงอ้ชักชวนในลักษณะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องเรื่องเมตตามากนะอย่างเห็นไหมอา น, นิสงส์ของเมตตาเนี่ยดีมากมายอย่างนี้คนอื่นทุกคนเนี่ยเขาก็เหมือนเรานะทุกคนเขาก็ต้องการความสุขเป็นต้นถ้าเรามีเมตตาในลักษณะนี้โดยที่การขับปลอมตัวเองขึ้นหรือคนอื่นชักชวนขึ้น นะแต่ก็ด้วยความเบิกบานใจด้วยความสําราญใจด้วยความปีติเอื้อิอ็นในใจอันนี้ก็เป็นเมตตาแบบมหากุศลดวงที่ที่สองนะบางคนนี่ก็แต่ก็มีปัญญาประกอบนะมีปัญญาประกอบก็คือเห็นเห็นโทษของการไม่มีเมตตาและเห็นอ น, นิสงค์ของเมตตาน ะ, ะเห็นระดับนี้ก็ชื่อว่ามีปัญญาประกอบนั่นแหละบางท่านก็จเจริญเมตตาได้นะ เจริญให้คนอื่นมีความสุขได้แต่ก็ไม่เห็นอันนี้สองไม่เห็นอะไรสักอย่างนะเรียกว่าไม่เห็นคุณเห็นโทษแต่ก็สามารถเจริญได้อันนี้ไม่มีปัญญาประกอบนะโดยที่ไม่มีใครชวนก็สามารถที่จะทําได้หรือบางคนก็ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนะแต่ก็ดีใจทําด้วยความปราบเพิ่มใจทําด้วยความสบายใจอันนี้ก็เป็นโสมนัสนะไม่มีปัญญาประกอบ ไม่มีการชักชวนก็มีมีการชักชวนก็มีอ่าคนบางประเภทนั้นเจริญเมตตาเป็นเหมือนกันแต่ก็แคกว่าอะไรนะคนหน้าตายอ่ะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเลยแต่ก็มีเมตตานะไม่ดุไม่โกรธไม่เคืองอะไรสักอย่างอ่ะนะคล้ายๆกับคนนะก็บอกว่าชีวิตนี้หารอยยิ้มยากเหลือเกินเหมือนกันคนลักษณะนั้นอ่ะแต่ว่าไม่ดุนะใครทําอะไรก็ไม่โกรธหวังดีปรารถนาดีต่อคนอื่นแต่ก็ ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีปัจจัยใช่ไหมบางคนก็อาจจะเกิดมาปฏิสนธิแบบอุเบกขามาตั้งกระอ้อนแต่ออกอย่างนี้นะทันตีหน้าตายหน้าตายเนี่ยท่านนั่งได้ทั้งวันเนะไม่ยิ้มเลยเอ๊ะรอยิ้มเป็นยังไงไม่มีอลักษณะนี้ก็มีอยู่แต่ก็มีเมตตานะมีเมตตาหวังดีปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเต็มที่ไม่ติไม่บ่นไม่ว่าทักคำแต่ไม่ใช่วาโง่นะ เพราะว่ามีปัญญาประกอบสา ม, มารถเห็นโทษเห็นอนิสงได้นะบางคนก็มีเมตตาโดยที่ไม่มีปัญญาประกอบก็มีแต่ก็เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นมาหากุสอนนั้นทั้งแปดดวงสา ม, มารถเป็นเมตตาได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องไม่ลืมว่าเมตตานั้นอารมณ์ของเขาก็คือปิยมนาปะมีสัตว์ที่หน้าหน้าพอใจนะมนาปะก็คือหน้าพอใจ แล้วก็ปิยะนี่ก็เป็นที่รักนะนะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นที่พอใจเป็นอารมณ์นะเขบอกว่าไม่มีใครน่าตําหนิซักคนเดียวเลยนะดีหมดอย่างเงี้ยนะกขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นครัวาจารย์ก็บอกโอ้ลูกศิษย์ทุกคนดีหมดเลยอย่างเงี้ยไม่นึกตําหนิซักคนเลยลักษณะนั้นนะก็เป็นลักษณะของเมตตายอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือพ่อแม่เห็นลูกเนี่ยนะลูกมาทุกคนเลยมีไมหมโอ้ยเห็นคนนี้ระคายเคืองตาจังเลยมีไหม ส่วนใหญ่จะยากนะถ้าลูกไม่เลวเต็มทีไม่หวยเต็มทนนี่ก็พ่อแม่ก็จะมีเมตตาวังดีปรารถนาดีกับลูกได้อย่างท่วนหน้ากันอันเมตตานั้นจิตใจก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอันในคำพีส่วนหนึ่งท่านก็ยกย่องพ่อแม่ว่าเป็นเหมือนกับพรหมของบุตรเพราะว่า ส, สา ม, มาถที่จะมองบุตรด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาก็ได้นะมองด้วยจิตใจที่ประกอบกับ ก, บกรุณาก็ได้ มุทิตาก็ได้อุเบกขาก็ได้นะก็บอกว่าพ่อแม่ที่มองบุด้วยเมตตาก็เหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกน้อยที่กำลังเจริญเติบโตนะยินดีในความเจริญเติบโตของบุตรเหล่านั้นได้ฟังงั้นนะพ่อแม่ที่เจริญการุณาต่อลูกก็เหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกเจ็บป่วยไม่สบายก็สงสารเขาหรือพ่อแม่ที่เห็นลูกได้ดิบได้ดีเจริญเติบโตมีความสุขเจริญในหน้าที่การงานก็มุทิตาไปกับลูกได้ หรือพอหรือลูกที่ออกเรือนออกชาญได้แล้วนะสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปห่วงกังวลปล่อยใจได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอุเบกขาอันถ้าหากว่าคนที่เจริญเมตตา ก, ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะมองยังไงอะมองเห็นคนทั้งโลกเหมือนกับลูกน้อยๆของเราอันนี้ไม่ได้เสแสร้งนะแต่ว่ามันเป็นการหวังดีจริงๆอาหวังดีอันนี้เนี่ยเพื่ออะไรทําไมเราจึงต้องเจริญแบบนั้น พะเราเห็นโทษของโทสะนะแล้วก็เห็นอันนี้สองของเมตตาทีนี้ถ้าหากว่าเมตตามไม่เกิดอะทำไงนึกโกรธย่างเดียวนะไม่เหมือนลูกสักคนเลยนะมีลูกกับลูกไม่ดังใจสักคนเลยเนะี่ยท่านไงแต่ยางไงโทสะมันเกิดมากๆพระ อ, องค์ก็บอกว่านะมีวิธีสอนตนใช่ไหมเวลากโกรธขึ้นเนี่ยสอนตนโดยการระลึกถึงโอวาท ในหน้าเจ็ดนะคนที่มีตําราตํารามาด้วยก็เปิดดูหน้าเจ็ดกล่าวถึงอุบายระ ง, งับความโกรธนะซึ่งวิธีการเจริญเมตตาลาดับแห่งการเจริญเมตตานั้นเราก็ได้ฟังไปแล้วทีนี้มาพูดถึงอุบายระ ง, งับความโกรธเลยอย่างครั้งก่อนหน้าน้นก็ได้ยกถึงข้อความในกกจูประมาสูสรมากล่าวให้ฟัง ซึ่งท่านก็สรุปนะตัวนาณ า, าดำๆนั้นว่าดูกอนพิสูนทั้งหลายแม้หากว่าพวกโจรผู้ประพฤติต่ำช้าจะพึงใช้เลื่อยที่มีด้ามทั้งสองข้างมาตัดอวัยวะแต่ละส่วนพิสุรูปใดพึงทำใจให้โกรธแค้นแม้ในโจรพวกนั้นนะเพราะเหตุที่ใจนะเพราะเหตุที่ทำใจให้โกรธแค้นนั้นเนี่ย ภิกษุรูปนั้นหาชื่อว่าเป็นผู้กระทาตามคำสอนของเราไมนะคนที่ไปโกรธแม้กระทั่งโจรที่มาทำร้ายตัวเองก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนมีไหมคำสอนสักสูตรนะภิกษุโกรธเถอะโกรธให้มากๆดีนะโกรธนี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยจิตไปกับความโกรธในขณะนั้นก็ก็เออขณะที่โกรธนี้ชื่อว่านับถือพระพุทธเจ้าไหม ไม่นับนะขณะที่นับก็ไม่ได้โกรธอะขณะที่นับถือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธขณะที่โกรธก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าคนละขณะกันนั้นเราก็ต้องแยกดํากับขาวให้ออกเพราะนั้นบางคนก็โกรธเนี่ยเนี่ยเพราะหวังดีแท้จริงโกรธนั่นแหละก็ยังยกย่องความโกรธอีกนั่นแหละแล้วก็ที่จริงความโกรธนี่ท่านก็บอกก็เหมือนกับอุจาระนะไม่ดีโดยประการทั้งปวงนั่นแหละ อันนี้ก็ระลึกถึงพระสูตรที่หนึ่งนะกะกะจูประมาณสูตรซึ่งเราก็ได้เอามากล่าวครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พระสูตรที่สองบอกว่าผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธตนนะหมายว่ามีคนเนี่ยมาด่ามาโกรธมาแคนเราใช่ไหมแล้วเราไปโกรธตอบคนนั้นอ่นะเพราะเหตุที่เราโกรธตอบนั้นอ่ะผู้นั้นชื่อว่าเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อนนี้ซะอีกนะเขามาด่าเรานะแล้วเราด่าตอบเนี่ยเลวไอ้คคนที่ถูก คนที่ด่าตอบนี่เร็วกว่าคนด่าคนแรกมางั้นอันผู้ที่ไม่โกรธตอบต่อคนที่โกรธก่อนชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ใดทราบว่าคนอื่นเขาขุนเคืองแล้วมีสติระ ง, งับเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่บุคคลสองฝ่ายคือแก่ตนและคนอื่นนะประโยชน์ยังไงนะประโยชน์คือซับภายในด้วยประโยชน์คือซับภายนอกด้วยนะ ขันขณะที่ต่างคนต่างฝ่ายมีเมตตาต่อกันจริงๆรนะอย่างน้อยที่สุดทรัพย์ภายนอกก็ไม่เสียและก็ทรับภายในก็ไม่เสียซึ่งทซั์ภายนอกนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วทีนี้มากล่าวถึงว่าเออถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่โกรธทรัพย์ภายในคือนะศรัทธาก็ไม่เสียใช่ไหมขณะที่เรารักษาใจได้ไม่ให้ใจโกรธเราก็ยังมีศรัทธาในคําสอนอยู่นะยังศรัทธาในพระรัตนตรา ย, ยู่และก็ขณะที่โกรธ ศีลก็ยังอยู่ใช่ไหมนะศีลก็อยู่แต่ถ้าโกรดศีลอยู่ไหมศีลเนี่ยบอกไม่ขาดหรอกแต่ว่าไม่มีศีลขนาดนั้นนะศีลไม่ถึงกับขาดนะนะขณะที่โกรธเนี่ยเออแต่ไม่แน่นะถ้ามันล่วงครบองค์ก็ขาดเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่ครบองค์แห่งศีลเป็นต้นศีลก็ยังไม่ขาดศีลข้อแรกนะคือเรียกว่าอะไรปาติโมขั้งสังวรศีลเนี่ยไม่ขาดจริงแต่อินทร์สังวรเนี่ยพังไม่นานแล้วเพราะอินทรีย์สังวรศีลคืออะไร คือศีลที่ไม่มีอภิชาและโทรมนัสในขณะที่เห็นได้ยินเป็นต้นหรือนึกคิดอ่ะนึกคิดโดยที่ไม่โกรธอ่ ะ, อะนึกคิดลักษณะนี้นั่นแหละเป็นเป็นอินทรีสังวรศีลนะเห็นแล้วไม่โกรธอย่างเงี้ยได้ยินแล้วไม่โกรธคนที่รักษาความไม่โกรธอันนี้ได้บ่อยๆคนนั้นรักษาศีลดีนะแต่โอ้โหคนนั้นศีลดีมาแต่ว่าหน้าห ง, งิกหน้า ง, งออยู่ทั้งวันเนี่อยอจะบอกว่าศีลดีได้ยังไงฮะใช่ไหม เศีเนี่ยไม่มีโทสะอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ศีลก็ไม่มีโลภะด้วยนะแต่ไม่ใช่นั่งโลภะเพ้อเจออยู่ทั้งวันอีกก็ไม่ใช่อีกเพราะศีลก็ไม่ใช่โลภะอีกนั่นแหละแต่ศีลก็ไม่ใช่โมหะเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรศีลนั้นจิตต้องไม่เป็นไปกับโลภะโทสะและโมหะนะคนที่รักษาอย่างนี้ได้เนี่ยโหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเขาบอกว่าเปลี่ยนศีลเนี่ยนะสามารถที่จะกลบกลิ่นตัวได้ท่านเทวดาไม่รังเกียจ อ่นเขาว่าถ้าศีลดีๆเนี่ยถึงกับตามองเห็นเป็นต้นใจไม่เป็นบาปเนี่ยนะนึกคิดก็ไม่ได้นึกคิดด้วยจิตที่เป็นบาปได้ลักษณะนั้นคนเรียกว่าคนมีศีลดีถ้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ี่ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินเป็นต้นหรือว่ายู่ยาก็มีการพิจารณาถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกว่า ปัจญาสารนิสิตศีลถ้าหนึ่งสองสามได้นะข้อสีก็แสดงว่าใช้ได้เพราะคนที่ขี้เกียจเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาศีลอันนั้นได้อาชีวะปาริสุทธิศีลก็จะดีนะเมื่อคนที่มีศีลดีๆอย่างนี้แล้วนะถ้ารักษาจิตเป็นไปกับเมตตาเนี่ยศีลพวกนี้ก็จะสามารถยืนยาวนานต่อไปได้แต่ถ้าโกรธบ่อยๆก็ศีลก็ไม่เหลือเหมือนกันเพราะพระโกรธพระกะบา บ, บ เจอในคำพีไอเปรตตะวัตถุเนี่ยนะเปรตภิกษุเนี่ยนะมันยังนึกก็อย่าพระคุณอย่ามีเปรตท่าสมบัติอยู่ในนั้นเลยนะก็นึกนะคนดีๆเขาเขาบอกว่าบางองค์เนี่ยรักษาศีลทางกายเรียบร้อยดีแต่วาจานี่ไม่ได้โหด่าเก่งจริงๆเลยนะก็บอกว่าพระนะเขาบอกว่าปากเนี่ยมีน้อนเนี่ยออกมาเลยว่างั้นเลยเปรตท่านั้นไม่ไไม่ต้องพูดถึงยอมครับ เพราะขนาท่โกรธท้ า, ายัางบ่าเลยโยไม่ต้องพูดถึงแล้วอ่ะทีนี้ท้ามันไม่หายโกรธหรืจะว่าไงนะนึกถึงโอวาทข้อไหนก็งเงียบมาฟังดูโอวาทในหน้าหน้าที่แดนะซึ่งจะขอยกข้อความในอังคุตรนิกายมาอ่านให้ฟังนะที่จริงข้อความอันนี้นี่มาจากอังคุตรนิกายโกธนาสูตรนะในข้อ61นะ ซึ่งพระสูจเต็มมีอยู่ว่าดูการพิสูจนทั้งหลายธรรมะเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะธรรมะเจ็ดประการเป็นไงดูการพิสูจนทั้งหลายคนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกนี้ ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้มีผิวพรรณซ้ำเทินนะศัตรูนี้อยากให้ศัตรูคนเป็นคนสวยไหมก็บอกว่าอยากให้โหคนที่เราแค้นที่สุดงามที่สุดเนี่ยเป็นอยากต้องการอย่างนั้นไหมไม่ต้องการอเนาะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข้าสึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าสึกกันมีผิวพรรณงาม ดูก่พิสูจน์ทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ําทาไลนนะไลนทาก็คือตบแต่งนะตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆาตศึ ก, กัน เป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะคนที่โกรธนั้นจะเป็นลักษณะนั่นแหละนะก็ว่าอยากให้ศัตรูนี้ผิวพันซามใช่ั้มถ้ายิ่งอยากให้ศัตรูหน้าเกลียดเท่าไหร่นะตัวเองก็จะน่าเกลียดมากเท่านั้นแหล ะ, ะถึงไม่น่าเกลียดขนาดนั้นก็ช่างเถอะแต่ชา ต, ต, ติต่อไปก็จะเป็นคนน่าเกลียด คือนึกถึงพระนางโรหินีอ่ะนะอดีตชาติเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาใช่ไหมพระราชานั้นก็ไปรักสนมคนหนึ่งมากก็อิจฉาอิจฉาก็เลยเอาไอผ้ผงผงคันอ่ะนะหมามุ่ยตําแยเนี่ยไปราดที่นอนให้เต้มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็เอาไอ้ผงอันเนี่ยไปโรยตัวทีนี้มันก็คันมากอะ่ะก็คันเต็มตัวไปหมดเสร็จแล้วก็ ล้มไปในที่นอนอะนะไอฟุนอันนี้ก็จะกลบไปอีกเพราะว่าด้วยโทษกรรมนั้นเนี่ยนะทำให้นางเกิดมาชาติหลังเป็นโรคโรคเรือนนะเป็นโรคเรือนเล่องอีกหน่อยนั้นโทษอันนั้นเนี่ยก็ทําให้เป็นโรคเรือนเลยกลายเป็นว่าเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไปก็เหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมอิจฉาริสยาคนอืน่นทั้งก็เอาน้ำกรดเป็นต้นเนี่ยไปสาดคนอื่นเขาอ่ะนะ ยิงโยว่าขณะที่เราโกรธเราทําให้คนอื่นเขาผิวพันซามได้ในขณะนั้นนั้นนะแต่ว่าไอเหตุที่เราทําเนี่ยนะไม่ร้ายผลเมื่อเหตุที่เราทําไม่ร้ายผลเนี่ยเวลามันให้ผลเนี่ยโอจะเอาหน้าไปไว้ไหนนะกระจกยังไม่อยากจะ แ, แลเลยอ่ะก็ <c oughs> บอกกระจกนี่แหมใครเอารูปยักษ์รูปมารไปเขียนไว้ตรงนั้นอ่ะเนาะน่าเกลียดที่สุดเพราะไ อ, ไอความโกรธนี้เวลามันเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละ เรียว่าคนที่โกรธเนี่ยนะใครก็ไม่อยากพบใครก็ไม่อยากเห็นใครก็ไม่อยากเจอเจอนะดะงนั้นคนที่โกรธบ่อยๆก็จะมีลักษณะนั้นถึงจะอยากให้คนอื่นเขามีผิวพันธุณซ้มแต่ตัวเองนั่นแหละสามนะักกับเขาอีกข้อสองบอกว่าอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นฆ่าสึกกันย่อมปรารถนาคนที่เป็นฆ่าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้พึงนอนเป็นทุกข์เถิดหนออยากให้เ้านอนเป็นทุกข์อะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นฆ่าสึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าศึกกันอยู่สบายดูการพิสูจน์ทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ํายีแล้วแม้จะนอนบนบรลลังก์อันลาดด้วยผ้าขนสัตว์ลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีด้วยหนังชมดมีผ้าดาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะ หนุนเท้าแดงทั้งสองข้างว่างั้นก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงําแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่สองเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข่าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข่าสึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธคนที่มีความโกรธอเนาะไปนอนอยู่ตรงไหนเนี่ย อยากแช่งชักหา ก, กระดูกให้เขาเนี่ยนอนไม่หลับให้เขานอนเป็นทุกข์ให้เขานอนฝันร้ายให้ก็นอนละเมอให้ทุกข์ที่สุดเท่าที่เขาจะทุกข์ได้นะยิ่งแช่งชักเขาขนาดไหนก็ตามยิ่งโกรธพยาบาทอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นมากขนาดไหนก็ตามตัวเองก็รับเท่านั้นแหละหรืออาจจะรับมากกว่าด้วยซ้ําไปนะยิ่งโกรธยิ่งรับยิ่งโกรธยิ่งรับนั่นแหละเอกประการหนึ่ง คนผู้เป็นฆาสึกการย่อมปราถนาต่อคนผู้เป็นฆาสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นฆาสึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็น้าสึกกันมีความเจริญดูกันพิสูจทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงมย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็สำคัญว่าถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเรียกว่าเถือตัวเองเนี่ยเช่นไปทําอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะเวลาโกรธเขาก็ยังนึกว่ามีประโยชน์อยู่นั่นแหละใช่ไหมบางคนเนี่ยลงทุนเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียเวลาเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะทําความชี้ผาให้แก่คนอื่นนะแต่ตัวเองนั่นแหละเสียหายขนาดนั้นก็ยังไม่รู้ตัวอง ก, ก็ยังนึกว่าทําสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ แม้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สําคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมะเหล่านี้อันคนผู้โกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำถือเอาแล้วเป็นฆ่าสึกแก่กันและกันย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลสิ่งที่คนโกรธทำเนี่ยนะก็ไม่ได้มีประโยชน์แม้แต่อย่างเดียวเลยไม่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ด้วยไม่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าด้วยเคยได้ยินนะความโกรธเนี่ยเป็นธานนบารมีมีไม่มีนะ แสดงว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเลยโกรธและเป็นศีลบารมี ก, ก็ไม่ใช่อีกนะเนาะโกรธเป็นเน่คัมมะบารมีใช่หรือเปล่าเน่คัมมะนี่คือการสลัดออกใช่ไหมไอ้โกรธนี่ก็สลัดออกเหมือนกันใช่เหร อ, อสลัดออกมันสลัดออกแบบใจร้ายะนะมันก็เลยไม่เป็นบารมีเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไปนรกไม่ใช่ข้อไปข้อปฏิบัติเพื่อนิพพานอะไรอั้นความโกรธนี่ไม่ใช่บารมีสักอย่าง <S <S ความโกรธก็ไม่ใช่บุญกิริยาวัตถุอีกสักอย่างเดียวเลยนะ พระวินัยปิฎกทั้งหมดก็ไม่ได้สอนให้โกรธ <g les> พระสู่ทั้งหมดเดกก็ไม่ได้สอนให้โกรธพระพิธรรมพูดถึงความโกรธจริงอยู่แต่ก็สอนเรื่องความโกรธเพื่อให้ถ่ายถอนความโกรธไม่ได้สอนให้เพิ่มความโกรธมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องเพิ่มมันก็เกิดอยู่แล้วนะมันได้ปัจจัยปุ๊บเกิดทันทีเลยก็เหมือนกับผิวหนังของเราอ่ะนะถ้ามันได้ปัจจัยปั๊บแผลมันก็เกิดแล้ว มันได้อะไรมาขีดมาขวานได้มีดคมๆมาถากมาถางเข้าเดี๋ยวก็เลือดออกละโทสะเหมือนกันเน่ยนะได้อารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาทางตาเป็นต้นเนี่ยนะคนที่มาแสดงมองด้วยสายตาที่ไม่ดีแสดงกิริยาอาการที่ไม่น่าพอใจทําใจได้หรือเปล่านะได้ปัจจายมันก็โกรธอีกใช่ไห ม, มเขาด่าเราปราบเนี่ยบางทีเขาคุยเรื่องอื่นอยู่นะเรายังเอ๊เขาด่าเราหรือเปล่านะนึกนึกขี้ตงังกิดตงังกิดอยู่ในใจเอ๊นินทาเราหรือเปล่า อันนี้ก็โทสะมันก็ได้ช่องอีกล้ใช่ไหมได้กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจมันก็ไม่ชอบอีกแล้วอาหารไม่อร่อยอีกเนี่ยแล้วพอบ้านตัวดีนักกันนะแม่บ้านทําอาหารยังไงไม่ไม่อร่อยเลยมันก็เจอรถก็ไม่อาจจะไม่ชอบใจนะที่ไม่น่าปรารถนาแม้แต่โพธาพเนี่ยร้อนเกินไปกับบทหนาวเกินไปก็ไม่ชอบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับไอแต่ของที่เกินเกินด้วยนะเพราะนั้นปัจจัยมันเกิดบ่อย โสดก็เกิดบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่โกรธเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เป็นคุณงามความดีสักอย่างเลยนะแต่คนที่โกรธสาคัญผิดนะนะรู้จักเราน้อยไปอย่างเงี้ยนะเอาละหาเรื่องต่างๆมาคิดผูกเวณเนี่ยนะเรารู้จักคนโน้นรู้จักคนนี้จะต้องพลม่มจะต้องเอาคืนให้ได้ ทำกับเราหนึ่งเราต้องเอาคืน2 อ, อย่างเงี้ยเป็นต้นคนที่โกรธเนี่ยมันจะมีแต่ความคิดในลักษณะนั้นความคิดเป็นไปเพื่อการทําลายทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นคติของคนผู้มักโกรธเนี่ยจึงเป็นนะครับอกว่าโทสะถ้ามากๆนะที่อยู่ก็คือนรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาให้คนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะได้รับประโยชน์เสื่อมเสียเท่าไหร่ คนที่มักโกรธเองนั่นแหละจะได้รับประโยชน์เสื่อมเสียมากขนาดนั้นเหมอนกันอันข้อที่สามนี่แหละเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธและความโกรธนี้มันเสียหายจริงๆนะขนาดท่านเล่าว่าขนาดพ่อแม่มีบุญคุณมากมายมหาศาลมันก็ไม่นึกกันะเวลาความโกรธครอบงมแลนะภาษาริบุตร พระโมกลานะที่มีคุณมากมายมหาศาลพระโกกาเลกะก็ยังด่านะพระพุทธเจ้าที่มีคุณมากมายมหาศาลหลายท่านก็ยังผูกอาฆาตผูกพยาบาทจองเวรกับพระ อ, องค์ท่านอั้นความโกรธเนี่ยไม่รู้อะไรดีอะไรช่วยจริงๆเลยนะอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าศึกการย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีโภคะเลย อย่ามีทรัพย์สินเงินทองเลยว่างั้นข้อนั้ น, น, นพราะเหตุไรเพราะคนที่เป็นข้าสึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าสึกกันมีโภคะอยากให้ศัตรูรวยขึ้นไหมรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเงินเดือนดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยไม่มีใครต้องการนะเนาะโดยกานพิสูจนทั้งหลายคนผู้ถูกความโกรธครอบงามย่ํำยีแล้วแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกําลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ํา เป็นของชอบทำได้มาโดยธรำพระราชาทั้งหลายย่อมริบโผฆ่ของคนที่โกรธเข้าพระคลังหลวงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่สี่เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธคือมีโกรธแล้วก็เป็นเหตุให้ขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นต้นนะนะก็ทําให้เสียค่าปรับเสียศีลเสียไหมเป็นต้นเนี่ยนะมีแต่ความเสื่อมเสียโดย ถ่ายเดียวมีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้นแหละโกรธไปด่าคนเข้านะโกรธไปด่าบางคนใช่ไหมเขาฟ้องเอาคืนเรียกร้องความเสียหายเนี่ยหมดไปเยอะเลยใช่ไหมถ้าโกรธบางอย่างถึงกับไปทําร้ายคนอื่นเข้าเข า, เขาก็ปรับเอานี่ก็ทําเป็นเหตุให้เสียเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เอกประการหนึ่งคนผู้เป็นฆาสึกกันย่อมปราถนาต่อคนที่เป็นฆาสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามียศเลย นะมียศก็คือหมายถึงยศบนบาทด้วยนะและก็บริวายศ ด, ด้วยเพราะงั้นนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมียศ ด, ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนผู้โกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงามย่ำเยียแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นได้ ดูการพิสูจทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่5เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆาตศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นฆาตศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะคนที่มีความโกรธก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเสื่อมยศคําว่าเสื่อมยศก็คือไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อันคนที่มีความโกรธบ่อยๆหงุดหงิดบ่อยๆนี่ก็ไม่ค่อยมีอยากไม่อยากมีใครไปคบไปพูดไปคุยไปเจรจาด้วยนะ เขาจึงเล่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงอายุเนี่ยถ้าผู้ใหญ่คนไหนเป็นคนขี้บ่นหน่อยลูกหลานก็ไม่ค่อยเข้าไปใกลนะ้ที่ไม่เข้าไปใกล้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเมตตาไม่คิดถึงแต่เขาก็คิดถึงอยู่นะแต่ก็ยังว่านะเป็นเคยไปนั่งอยู่ร่มไม้ที่มีมดแดง่ะนั่นแหละผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ่นจู้จี้จุกจิกด้วยอนาจของโทสะเป็นต้นก็เหมือนกันะนะ เดี๋ยวก็โดนโน่นเดี๋ยวก็โดนตรงนี้ก็รู้นะว่าพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยวังดีแต่ก็รับไม่ค่อยได้ใช่ไหมคือที่รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่พูดด้วยโทสะซะส่วนใหญ่นะถ้าพูดด้วยเมตตาจริงๆเนี่ยนะถ้าเขาแนะนําด้วยหวังดีปรารถนาดีด้วยมีเมตตาจริงๆเลยเนี่ยนะที่ยิ่งแนะนํามากยิ่งชอบแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ที่ด้วยโทสะด้วยหงุดหงิดบ่อ ย, อยๆเนี่ยลูกหลานก็ก็ไม่ค่อยมาใกล้อันยศก็จะเสื่อม คำอายุดก็คือไม่มีคนรอบข้างไม่มีเพื่อนพูดไม่มีเพื่อนคุยปล่อยให้หงอแงอยู่แต่คนเดียว น, นะมันคนที่โกรธมากๆก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละนะเรียกว่าอาภัพคนรอบข้างเลยนั่นแหละอยากให้คนอื่นมาหาแต่ก็ไม่มีใครมามาเมื่อไหร่เขาก็บาปไปด้วยนะว่าคนที่มีเมตตาคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็พลอยให้เขาบาปไปด้วยนะโทสะนี้มันไม่ได้อยู่ภายในอย่างเดียวใช่ไหมคนอื่นมาเกี่ยวข้องเออเกี่ยวข้องเข้าเขาก็จะได้ปัดปัดใจไปด้วย ไปอยู่บางแห่งเนี่ยนะเจอคนที่โกรธเนี่ยเราไปนั่งอยู่กับเขาสักพักเดียวแค่นั้นแหละให้เราออกมาเนี่ยติดเชื้อนั้นมาตั้งเยอะเหมือนกันนะพักเดียวนะเชื้อนี่มันระบาดแรงอ่ะนะยิ่งกับเชื้อบางอย่างเอกทึ่งมันร้ายแรงอ่ะนะทั้นโทรสารนี่มันมันก็เหมือนกับไฟนั้นแหละต่เรายิ่งฟืนแห้งอยู่แล้วด้วยนะไปเจอไฟเข้านี่แหม่รับมาดีเหลือเกินเนี่ยติดทึบเลยทันทีเนี่ยดีไม่ดีอาจจะไม่หนักกว่าเจ้าเดิมอีกนะต้นชนวนนี่อาจจะเป็นไม้ขีดนิดเดียวนะ แต่ของเราเนี่ยหมายเอานะ้ำมันเบนซินไปเลยเนี่ยนะราดรถหนักกระเก่าโทรศัก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ต้องไม่ต้องไม่ลืมนะพระสูตรที่พระองค์อุปมาว่าจิตของคนมีโทระเป็นจิตที่เหมือนกับแผลนะนะเหมือนกับแผลนั่นแหละคนที่มักโกรธนิยมโกรธนี่ก็เหมือนกับแผลนั้นคนมีแผลเนี่ยไปได้เหตุได้ปัจจัยได้อารมณ์เข้านี่มันก็มันก็เจ็บทุกทีเลยนะ ม, มันเจ็บอะทำไงได้มันมีแผลคนที่สะสมโทสะมากๆก็จะลักษณะนั้นถ้าไม่เห็นโทษของโทสะจริงๆก็ลําบากเหมือนกันการเห็นโทษของโทสะนั้นจะต้องมองเห็นโทษทั้งภายในโลกนี้ด้วยภายในโลกหน้าด้วยแล้วก็โทสะไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นไปเพื่อบารมีอะไรแม้แต่อย่างเดียวะนะต้องคํานึงตระหนักถึงโทษเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ศึกษาคําสอนของพระอรหันต์ คำสอนของพาหาันนั้นพาหาันคือคนที่ไม่มีโทสะอันคำสอนของท่านทุกๆคำสอนจึงเป็นไปเพื่อกำจัดโลภะกำจัดโทสะและก็กำจัดโมหะเป็นต้นข้อต่อไปนะว่าอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นฆ่าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นฆ่าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีมิตรเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนที่เป็นฆ่าศึกกัน ย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าสึกกันมีมิตรนะคนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะเห็นชอบไหมเห็นคนอื่นเข้ามารุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังเลยเนี่ยเห็นใครไปพูดไปคุยด้วยนี่ชอบไหมไม่ชอบนะเนะพูดเหมือนเคยงนนั้ยเนาะแสดงว่า <c oughs> กิริยาอ ย, ย่างนี้มีอ่าหมันไต้เหลือกเกินนะนะเห็นคนมีมีเพื่อนเยอะมีบริวารมากคนนี้ก็มาหาคนนั้นก็โทรมานะ บางทีบางคนเนี่ยราคาญเนี่ยก็เห็นในละครๆๆดูการพิสูจนทั้งหลายคนผู้กโกรธถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแล้วแม้เขาจะมีมิตรอมาตย่าสาโลหิตมิตรอมาตยาสาโลหิตเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลดูการพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่หกเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข่าศึกกัน ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะถ้าคนที่มักโกรธอยู่แล้วเนี่ยนะมีครอบครัวครอบครัวก็รังเกียจมีลูกลูกหลานก็รังเกียจไม่ต้องพูดถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงไมนะ่ไม่ต้องพูดถึงญาติห่างๆเลยนะญาติห่างๆนี่พอนึกถึงหน้าปุ๊บสแยงเลยนะแต่ไมเด็กๆเหมือนกันของมานี่ไม่ค่อยชอบญาติต่างหลายคนอนะ่ะนึกถึงหน้าเมื่อไหร่เจอหน้าก็ด่าเราทุกทีเลยนะต้องหาเรื่องด่าเราจนได้แหละเอะ๊เราไม่ไม่มีทุระจริงๆยังไม่นึกถึงเลยนะ บางคนเนี่ยไม่คิดจะไปเหยียบบ้านเลยเหมือนกันเออเจอเราเนี่ยด่าเราทุกทีเลยนะผิดไปทัทุกเรื่องอย่างเงี้ยฉะนั้นคนมักโกรธก็จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะนึกถึงเออถ้าเราเป็นคนมักโกรธเหมือนกันนะเราหาเรื่องตำหนิหาเรื่องดา่าหาเรื่องว่าร้ายคนอื่นเข้าไปเนี่ยเขาก็เป็นอย่งงางนั้นของเขานั่นแหละเราก็จะชอบบอกความไม่ดีของคนอื่นเขาอยู่เรื่ อ, อยนะพูดเหมือนกับว่าเราพูดแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้ดีขึ้นเพราะคําพูดของเราหรอกนะเชื่อ ถ้าเราไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้มีอุปการะไม่ได้มีฝีมือจริงๆเนี่ยนะยิ่งแนะนําถึงความผิดพลาดของเขาเท่าไหร่เรายิ่งเป็นศัตรูเขามากเท่านั้นอนะ่ะเขาไม่ชอบหรอกนะที่ที่ใครไปพูดความผิดพลาดของเขาก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะน้อยคนมากที่จะขอบคุณเมื่อได้รับคําตักเตือนคําแนะนําที่ที่ผิดพลาดเว้นไว้แต่บัณฑิตดังนั้นคนที่เป็นคนพาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะอ่ะมีมีก้อนก้อนหนึ่งอยู่ข้างๆลูกตาเนี่ยนะมีใครมาบอกเอยเช็ดออกสักหน่อยสิแม่มันชักยิ้มไม่ออกเลยนะโตรธขึ้นมาเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นนะ่ะนะหรือเราไม่ได้แปลงฟันมาสมมตินะโอ้โหเราไปพูดใกล้ก็ใกล้ๆคนอื่นนะเขาบอกไม่ได้แปลงฟันมาหรือไงเสร็จแล้วนะถามว่าชอบไหมไม่ชอบเราไปพูดอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนอื่นที่ที่ตำหนิเขาก็เหมือนกันนะ จริงอยู่เขาผิดพลาดนะแต่ถ้าถ้าคนที่ฉลาดหน่อยก็จะหาอุปมาอุปไมยหรืออย่างใดอ ย, ย่างหนึ่งให้เขาฟังแล้วเขาเหมือนเขานึกได้เองอะ่ะจึงจะได้นะถ้าหากว่าเราไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะแนะนํากันได้นะต้องมีฝีมือในการแนะนําจริงๆริงเลยเรียกว่าพูดอยากให้คนนี้รู้นั่นแหละแต่เสมือนหนึ่งไม่ต้องการให้คนนี้รู้นั่นแหละเขาจึงจะรับได้บางอย่างจะเป็นลักษณะนั้นไปบอกไปแนะนําเขาตรงๆไม่ได้นะบางคนเนี่ยเจ้ายศเจ้าอย่างนะ ถือนะเอย่าโอ้ยคนอย่างนี้มันแนะนําเราได้ยังไงอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะยินดีที่จะแบกไอไอความไม่ดีอันนั้นเอาไว้อั้นคนที่มักโกรธเนี่ยนะคนรอบๆข้างก็จะไม่ค่อยมีหรือคนมักโกรธก็คนรอบข้างก็จะมักโกรธไปด้วยนั่นแหละเราสังเกตดูนิสัยเรานะว่าเราเป็นคนยังไงนะพยายามสังเกตคนรอบข้างเราจะรู้นิสัยเราเลยนคนรอบข้างเราเป็นคนริษยานะบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราก็มีสิทธ เหมือนกันเปี้ยเลยนะขอให้รู้เถอะถ้าคนรอบข้างเราเป็นคนนิยมโกรธนะด่าเก่งเนี่ยนะขอให้รู้เถอะว่าเอ้เราก็มีส่วนเหมือนกันนะคนรอบข้างเนี่ยนะเป็นเครื่องส่งเขาจึงบอกว่าพระราชาเนี่ยนะอยากรู้ว่าพระราชา น, น, นั้นเป็นยังไงก็สังเกตที่อํมมา ร, รอบข้างคนทั่วไปก็เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็สังเกตที่คนรอบข้างเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปไปสู่ คนที่มีธาตุเดียวกันว่างั้นฝูงช้างย่อมไปหาช้างใช่ไหมฝูงม้าก็ย่อมไปหามา้าฝูงโคก็ย่อมไปหาโคว่างั้นฝูงคนนิยมโกรธก็ไปหาคนที่คล้ายๆกันน่ะนะมันระบายได้มันรับกันได้ดีเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะว่าอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นฆาสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นฆาสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลนี้เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนที่เป็นฆ่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าสึกการตายสุขติเคยแช่งให้ใครไปสวรรค์นะสาทุกขอให้ศัตรูคนนั้นเนี่ยเข้าถึงจาตุมมหาราชิกามีไหมให้ถึงวรรคชั้นดาวดึงเลยนะไปเป็นคนใกล้ชิดพระอินทเลยไปเป็นชั้นยามาไปอยู่ใกล้ๆเท้าสันดุสิตเนี่ยนะไปเป็นเทพพระราชเป็นเทวราชอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรเดปันิมิตวัสวัสดี สาธุขอให้ศัตรูไปเกิดเป็นมหาพรหมเนี่ยมีไหมมีแล้วกันนะสาธุขอให้ไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนั้นนะว่าไปเรื่อยจิตที่คิดอย่างนั้นนี่แหละเนี่ยจะเข้ามาหาตัวเองหมดทีหลังโกรธใครนะเออขอให้ไปสวรรค์เนอะขอให้มีความสุขความเจริญนะเออแต่คนที่ที่โกรธแล้วอวยพรลักษณะนี้บ่อยๆเปอร์เซนต์จะไปสวรรค์สูงเหมือนกันอย่าลืมนะเราพูดถึงอะไรบ่อยๆนะสิ่งนั้นแหละจะมาเป็นของเรา พูดในแง่ดีมาก ๆ, ๆของนั้นจะมาจะสมพรปากทุกอย่างเลยนะแช<ม>่งชักให้เขาตกนรกก็ น, นั่นแหละใกล้แล้วละเกือบแล้วอีกนิดเดียวคนแช่งกันะเพราะนั้นไอ้ข้าศึกศัตรูก็จะเป็นลักษณะนั้น<ม>ข้อนั้นพรเหตไรเพราะคนที่เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันนี่ไปสุขติ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายคนผู้โกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงมย่ำยีแล้วย่อมประพฤติโทษจริญด้วยกายใช่ไหมคนโกรธฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันก็ได้พูดเพ้อเจ้อก็ได้ถึงกับกินเหล้าเมายาเป็นต้นก็ได้แล้วก็อาฆาตพยาบาทจองล้างจองพลานผูกเวรก็ได้ มันทำความชั่วด้วยกายทําความชั่วด้วยวาจาแล้วก็ทําความชั่วด้วยใจครั้นตายไปก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูการพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่7เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ ด, ดูการพิสูจนทั้งหลายธรรมะเประการนี้แล เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นฆ่าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความกนะโกรธโกรธบ่อยๆเนี่ยนะเจ็ดข้อนี่แหละจะได้รับละแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าคนโกรธมีผิวพันณสามนะคนที่งามอยู่แล้วนะลองโกรธแล้วให้ถ่ายรูปไว้สักภาพหนึ่งนะเป็นที่ระลึกเก็บไว้ใส่กรอบอย่างดีเลยนะนะโกรธ ที่สุดเท่าที่จะโกรธได้นะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้โกรธนะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนแล้วก็ย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทมปานาติบาิด้วยกายนะถึงกับฆ่าเองก็มีและว่าจาใช่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเป็นต้นก็มีย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรธ ย่อมถึงความไม่มียศญาตมิตรและสหายว่าไงญาตมิตรและสหายเป็นต้นก็ย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญนะรู้จักความเจริญอะไรทักอย่างหรือเปล่านะรู้จักเจริญด้วยศีลไ้มรู้จักเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยภาวนาเจริญด้วยเมตตาเจริญสมถาิิปัสสนาเนี่ยนะขณะที่โกรธขึ้นไม่รู้สักอย่างเลย อั้นความโกรธเวลาเกิดขึ้นก็ทําจิตให้กําเริบนะคนโกรธและสงบนิ่งเลยเนี่ยนะความคิดเนี่ยสงบมีไหมมีหรอกเนาะจิตเนี่ยมันกำเริบมันกําเริบแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยกำเริบถึงปากด้วยเนาะเลนเนี่ยกำเริบ ม, มากที่สุดเลยตะบัดตะวัดมาเนี่ยอหูนั่งฟังอะไรเยอะฟังแล้วจนหูชาเนี่ยแหละก็ว่า ง, งั้นนั่นแหละอันความโกรธเวลาเกิดขึ้นก็ทําจิตให้กําเริบภัยที่เกิดมาจากภายใน ในะโทสะเนี่ยเป็นฆ่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในที่เผาใจของคนที่โกรธนั่นแหละฉั้นคนผู้โกรธนี่ก็ย่อมไม่รู้สึกนะจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองนี่กําลังถูกเผาอยู่นะไม่รู้ตัวรักว่างั้นคนโกรธย่อมไม่รู้อาาัฏฐะนะอัฏฐะในที่นี้ก็ได้แก่ทุกขสัตว์กับนิโรสัตวนะคนโกรธนี่ไม่รู้อาาัฏฐะสัจจะเหล่านี้ไม่รู้หรือไม่รู้เนื้อความแห่งภาสิท เนื้อความแห่งภาเิดในคนโกรธจะไม่รู้คนโกรธจะไม่เห็นธรรมไม่เห็นสมุทัยสัจว่า ง, งั้นเถอะไม่เห็นมัคสัตต์และไม่เห็นธรรมะนะคําสอนซากอย่างเนี่ยนะขณะที่โกรธนึกไม่ออกหรอกขณะที่นึกออกก็ไม่โกรธแล้วนะโคละตอนกันขณะที่โกรธจะนึกคําสอนไม่ได้ขณะที่นึกได้ก็ลืมโกรธและขนาดนั้นท่านนึกได้มากๆเออความโกรธนี่มันลดได้นะนะลองนึกดูในะขณะที่กําลังงดหงิดอยู่นะ แล้วคิดคําสอนอย่างเดียวเลยนะพักเดียวแค่นั้นลืมเลยนะอ้าวไม่โกรธแล้วแต่ถ้ามานึกถึงเรื่องเรื่องเดิมใหม่เอาโกรธอีกแล้วเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์หมดนะแต่จริงความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะมันได้อารัมมณะปัจจัยและอะโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นโกรธความโกรธก็เกิดขึ้นนั่นแหละอั้นความโกรธย่อมครอบงํานรชนในขณะใดความมืดเตอร์ก็ย่อมมีในขณะนั้นนะขณะที่โกรธขึ้นเนี่ยมืดจริงๆเลยนะ ขณะที่โกรธแล้วมองเห็นอริยสัจมีไหมมีสักอย่างรอกนะมืดหมดแหละมืดไม่รู้ด้วยว่าโหชาติที่แล้วมายังไงชาติหน้าจะไปยังไงความโกรธมันให้ผลแล้วมันจะไปสวรรค์ชั้นไหนเป็นตัวเนี่ยมันนึกไม่ออกสักอย่างเลยนะเพรา ะ, ะนั้นคนโกรธย่อมก่อกรรมที่ทําได้ยากเหมือนทําได้ง่ายนะคําด่าบางคำเนี่ขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยมันด่าได้นะถ้าถ้าลองด่าแล้วบันทึกเทฟไว้นะโอ้โหทําไปขนาดนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ย เนั้นภายหลังเมื่อหายกโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟไหม้นะเวลาที่กโกรธอยู่เนี่ยไปด่าคนมีศีลด่าคนมีธรรมเนี่ยนะหม้มันสะใจเหลือเกินที่ได้ดา่าอย่างงี้แต่พอตอนหลังมารู้ตัวเข้าโอ้โหตายเลยเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนเพนั้นคนผู้กโกรธย่อมแสดงความเก้ อ, อยากก่อนเหมือนไฟแสดงความก่อนอแสดงความก่อนเก้ อ, อยากแปลว่าอะไร เกอ้อเนี่ยแปลว่าอายอ่ะเกอ้อยากอ่ะแปลว่าไม่รู้จักอายเลยนะ mm hmm. เขาขี้เกียจแปลตรงๆว่าหน้าด้านเขาพั้กนอันความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะนั้นในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีฮิริไม่มีโอตะ ป, ปะไม่มีความเคารพนะขณะที่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยอายบาปไหมนะอายกายยทุจริตไหมโอ้ หมายความชั่วทางการนี่น่ารังเกียจจริงเนาะวงง่า้นความชั่วทางวาจาที่พูดเนี่ยน่ารังเกียจจริงหนอนะความคิดที่เป็นบาปเนี่ยโอ้น่ารังเกียจน่าละอายจริงๆมีสักอย่างหรอกมีแต่แหมดีนะดีนะความโกรธเนี่ยเป็นอธิปฏิปจัจจัยไหมเป็นฉันทาธิปฏิมันสะใจอ่ะเวลาที่โกรธใช่ไหมเขาเรียกว่าความโกรธมันไม่ชอบอารมณ์ที่มันโกรธนะแต่ว่าไอ้ฉันทะที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยตัวนั้นเนี่ยตัวแสบนะั และเกิดมันทําให้มันพอใจและวิริยะเจตสิกนั้นมันกล้าด้วยแต่มิจฉาวายามะก็จะเกิดขึ้นนะนะมิจฉาวายามะเกิดขึ้นแล้วมิจฉาสติเป็นต้นก็ตามมาเพียบระดมกันมาแล้วนั่นแหละก็เป็นลูกเป็นหลานพระเทวทัตโน้นแล้วก็ความโกรธที่เกิดขึ้นนะไม่มีฮิริโอตาปะถ้าใช้คําว่าไม่มีฮิริโอตาปะนะฮิริโอตาปนี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีล นะอายชั่วกลัวบาปเป็นเหตุกล้ให้เกิดศีลขณะที่โกรธเนี่ยศีลเนี่ยวิ่งหนีหมดเนะนะแสดงว่าศีลเนี่ยกลัวใจที่โกรธที่สุดเลยนะศีล น, นี้เป็นอาโทสะใช่ไหมขณะที่โกรธเนี่ยโหศีลเนี่ยกลัวคนโกรธที่สุดเลยนะวิ่งหายไปที่ไหนหมดไม่รู้นั่นแหละถ้าศีลหายเนี่ยนะสแสดงว่าสมาธมิไม่ต้องถามถึงละนะพระพุทธเจ้านี่กลัวคนโกรธที่สุดเลยนะอันพระอรหังนี่อีกความหมายหนึ่งก็คือไกลจากคนมี กิเลสพระองค์นี่ไม่มาเกี่ยวข้องเลยอะคนมีกิเลสเนี่ยถ้าใจเป็นไปกับบาปนะถ้าพระองค์ดูแล้วโปรดไม่ขึ้นนะพระองค์ไม่มายุ่งแล้วพระองค์ก็ไปตามตามตามสุขโตของพระองค์อะพระองค์ไปดีของพระองค์ไปนะพระองค์ก็จะไม่มาข้องแวะจะไม่มาแนะนําสั่งสอนอะไรหรอกแต่เว้นไว้แต่ว่าคนโกรธมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็ยอมให้เขาโกรธเหมือนกัน <laughs> มีนะ พรามล้าคนด่าพระพุทธเจา้าเนี่ยนะด่าจนสะใจเลยนะเรียกว่าด่าจนสบายใจแางนั้นเถอะแล้วก็ถามพระองค์ก็ถามง่ายๆว่าพรามนะเคยมีแขกมาบ้านไหมบเคยพระเจ้าค่ะบบงนั้นเออเวลาแขกมาบ้านแนละ้วเคยยกอาหารยกสำรับกับข้าวให้เขาไมมเคยพระเจ้าค่ะเขาไม่กินมีไมมมีไม่ถ้าเขาไม่กินแล้วของนั้นจะเป็นแกะของใคร ก็ของข้าพเจ้าพระเจ้าข้าวางกันเออฉันนั้นออนั่นแหละพระเออวางกันท่านเนี่ยดา่าตถาคตผู้ไม่ดา่าตอบโกรธตถาคตผู้ไม่โกรธตอบเนี่ยนะัน้นท่านบริโภคแต่เพียงผู้เดียวเถิดอย่างนั้น <c oughs> นั่นแหละทนของใครคนนั้นก็รับเอาไปก็แล้วกัน <c oughs> เขาบอกว่าไปด่าคนที่เขาไม่โกรธตอบเนี่ยบาปมากคนบางคนเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยอโยนิโสมเกิดขึ้นเออเราโกรธตอบเขาหน่อยเขาจะได้ไม่บาปเยอะเพราะว่างั้นนานว่าไปนั่นใช่ไหม คนที่ยินดีใจที่เป็นบาปอนะก็จะหาเหตุหาปัจจัยให้ตัวเองเนี่ยเป็นบาปอยู่เรื่อยหาเหตุผลมาจนบอกว่าฉันโกรธฉันก็ไม่ผิดนะฉันก็ยังดีเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยถ้าคนมีความโกรธนะคนที่จิตเป็นไปกับบาปอกุศลนเนี่ยนะขนาดตัวเองเสียหายขนาดนั้นก็ยังดีอยู่นั่นแหละนั่นแหะตกนรกไปเกือบท่วหมหัวอยู่แล้วก็ยังนึกว่าดีอยู่เลย น, นะพร ะ, ะเทวทัตยังคอยยังช่วยหน่อยยังไม่ยังสํานึกได้ใกล้จะใกล้จะ กรณีสูบเสมอคางเน้นึกได้นะสํานึกได้ตอนนั้นก็ยังดีนะถึงกับว่าเอาที่เหลือเนี่ยบูชาเป็นพุทธบูชาแต่คนทั่วไปแล้วณปฏิสนธิในในรกแล้วอ้าวเพิ่งรู้เนี่ยไงถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะของเราก็ไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้นะนะอย่าเขาบอกว่าตรงนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าไว้เยอะๆเถอะพระพุทธเจ้าบอกว่าความโกรธนี้มีโทษหรือไม่มีโทษใช่ไหมที่พระองค์ถามชาวกาลามะความโกรธมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยไง ไอ้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์กว่ากันผู้รู้สารเสริญหรือติเตียนนะนะใครที่ใช้ชีวิตหรือว่าประกอบปล่อยจิตเป็นไปกับโทสะมากมากเนี่ย น, นะเป็นไปเพื่อประโยชน์มีไหมองคะถามไปของเราเวลาที่เกิดขึ้นเราก็ขยันถามนะนั่นแหละถามถ้าติดท้าให้ดีนะเขียนแบบฟอร์มไว้เลย <c oughs> <c oughs> เขียนแบบฟอร์มให้ดีตอนนี้ยังไม่โกรธนะ นอนกโกรธอย่าไปคิดเขียนเขียนไม่ดันหรอกเดี๋ยวมันจะเผากระดาษนั้นพี่อีกเขียนแบบฟอร์มให้ดีเลยแล้วก็ถามนี่ถ้าโกรธแล้วเธอจะมีความสุขไหมกข อ, ข อ, ของอนะขีดเลยอได้รับความสุขแน่นอนเพราะโกรธไม่มีไหมไม่มีนะอะโกรธหนึ่งให้ผลเป็นทุกข์นะไล่มาหมดเลยะนะเอาอริยทรัพย์เอาบุญกิริยาวัตถุเอาบารมีเอาแต่ละอย่างมาไล่หมดเลยโกรธแล้วเป็นทานบารมีไหมไม่มีอขีดผิด ไปเรื่อยเรืยเรื่อยอย่างฮิริโอตาปะมันก็เกิดมันก็จะรังเกียจทําอย่างนี้หลายๆครั้งเข้าใจก็จะเป็นบุญมากขึ้นนะแต่ก็เอ๊ะก็ยินดีในความโรกรธนั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วพระไม่โกรดแล้วะ <c oughs> โกรธต่อไปกันแล้วกันของใครก็ของใครแหละกรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะ <c oughs> มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นเผาพันธ์ใครโกรธมากกว่าเป็นเผาพันธุ์แห่งคนมักโกรธไป <c oughs> ต่อไปบอกว่า คนที่ถูกความโกรธเนี่ยครอบงามแล้วย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยนะแสงสว่างนี่ไม่เกิดขึ้นแก่คนที่กําลังโกรธนะนะจากคุ้งอุท่ปาธิยานางอุท่ปาธิปัญญาอุท่ปาธิวิชาอุท่ปาธิอโลโกอุท่ปาธิเนี่ยนะจากขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วเกิดขึ้นมานัจากขุปัญญาวิชาแสงสว่างไม่เกิดเลย เหลืออย่างเดียวโทสะชาวเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะถ้ามันไปเกิดใกล้ตาเนี่ยซวยนะอย่าปล่อยให้มันเกิดใกล้ตรงนั้นเลยฉนั้นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะแสงสว่างแห่งกุศลธรรมไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยกรรมใดห่างไกลาจากธรรมะ กรรมที่ทำที่กรรมที่ไกลจากธรรมะก็คือกายกรรมที่เป็นบาปวจีกรรมที่เป็นบาปมโนกรรมที่เป็นบาปกรรมเหล่านั้นก็ห่างไกลจากกุศลธรรมนะเพราะว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปไปสู่โลกที่ชั่วอั้นขณะที่จิตเป็นโทสะเป็นต้นเนี่ยนะธรรมะไอ้ที่ที่ป้องกันไม่ให้ไปสู่อภัยเนี่ยหายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมใด ยังห่างไกลาจากธรรมะอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจากบอกธรรมะเหล่านั้นนะนะพระ อ, องค์เนี่ยจะประกาศถึงว่าไอ้โทสะนี่มันเกิดขึ้นแล้วเสียหายอะไรไปบ้างเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะนั้นไปตามลำดับคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้นะมีผู้ชายคนหนึ่งนะพ่อเขากินเล่าบ่อยทีนี้พอกินเล่าเสร็จก็มา คุกับลูกอะ่ะมาแซว ล, ลูกเล่นเรื่อยทุกวันลูกชายก็ตำหนิว่าบาังติว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้นานๆเข้าลูกฆ่าทิ้งเลย <c oughs> ก็บอกว่าคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้เพราะฆ่าพ่อก็เยอะฆ่ามารดาของตนก็ได้นะไปขอสตังค์แม่เป็นต้นแม่ไม่ให้ก็เลยฆ่าแม่ทิ้งก็ได้ฆ่าพระคีนาศพก็ไดนะ้เวลาที่โกรธขึ้นมาเนี่ยฆ่าฆ่าพระคีนาศพฆ่าผ้าอรหันต์ก็ได้เหมือนกับ นายนายช่างแก้วอ่ะนะนายช่างแก้วก็คือช่างที่ทําพวกแก้วพวกเพชรพลอยเนี่ยนะเขาอุปถากพระเทรารูปหนึ่งแต่ว่าพระรูปเนี้เป็นพระอรหรันต์ก็อุปถากทุกวันทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระราชาเนี่ยส่งแก้วไปให้เจรนายขณะที่นายช่างแก้วคนนั้นกําลังหั่นเนื้ออยู่พอดีเลยพอกําลังหั่นเนื้ออยู่เนี่ย อามาดก็เอาชแก้วเนี่ยมาให้ก็มือเปื้อนเลือดนั่นแหละไปจับแก้วแล้วก็วางเอาไว้แล้วก็ทำเนื้อต่อไปขณะที่ทำเนื้ออยู่นั่นแหละไอ้นกนกกระเรียนตัวนะ่ะได้กลิ่นคาวเลือดมันก็มากละเดนไอ้แก้วลูกแก้วนั่นนะ่ะหายไปเลยกระท้องอะไรนะก็กลืนเข้าท้องไปนายช่างแก้วนี้ก็ไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยก็ ทำกับข้าวไปทำกับข้าวมาเหลียวไปหาแก้วไม่เจอขอหลุดแน่งานนี่ของพราชาด้วยเสียใจขึ้นมามากมองเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครมีแต่พระอยู่ตรงนั้นพระเนี่ยมองเห็นแล้วว่านกกระเรียนตัวนี้เนี่ยมันกลืนลูกแก้วหรือพวกพลอยเนี่ยไปซึ่งมีค่ามากนะของพราชาทีนี้นายช่างแก้วก็ไปถามภรรยานี่เธอเอาไปหรือเปล่าบอกเปล่า ไปถามพระพระคุณเจ้าเอาไปไหมบอกแม่เอาไปน่าอย่าหลอกผมหน้าอย่ะมันก็มีอยู่แค่นั้นนะ่ะคนในบ้านนะ่ะเอ๊ใครจะเอาไปถามเมียครูตาข้อยังไงเมียก็ไม่ได้เอาไปก็เหลือแต่พระองค์เดียวทําไงหละ่ะกันนี้ก็ความโกรธเนี่ยนึกถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยนะถ้าหาแก้วไม่ได้เนี่ยคอหลุดแน่ก็เลยไปเอาเชือกมาอันนึงเอาเชือกมาก็มาคาดเหมือนกับเชือกที่ที่ใส่หัวนักมวยนะเวลาเขาขึ้นเวทีอะเอาเคลือบมาแล้วก็เอา ไม้อันหนึ่งมาแล้วก็ขันชนะนะขันรัดขึ้นรัดขึ้นรัดขึ้นบอกผมนะไม่บอกผมจะเอาท่านให้ตายให้ได้เลยอ่ะก็บอกไม่บอกไม่บอกท่านก็ยอมนะมันก็บีบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยลูกตาเนี่ยแทบพะลนออกมาเนี่ยแหละก็ขันไปเรื่อยเรืยเรื่อยเรยเรทีนี้เลือดมันก็ไหลอมาไอ้นกกระเรียนตัวนั้นได้ข่าวเลือดมาอีกนะนายช่างแก้วเห็นแล้วก็โกรธมันไส้ใหญ่แล้วก็ก ใส่ก็ไปปั๊บหนึ่งเนี่ยนะตายคาที่ตรงนั้นนกกระเรียนน่ะนะสขาใส่การคอรมังนะ้งเนาะตายคาที่เลย อ, ะอ่ะพอตายปุ๊บเนี่ยพระนี่ก็บอกพอพอมองเห็นลางๆอ่ะนะดูที่ว่าช่วยๆผ่อนๆห น, น่อยที่ว่านกเนี่ยตายหรือยังก็บอกเออท่านก็จะตายเหมือนนกนี่แหละคำว่างั้นเออช่วยคลายว่าไ อ, อ้ลูกแก้วเนี่ยอยู่ในนกว่างั้นแกก็ลุกลี้ลุกลนเลยไปผ่าท้องนกดูเห็นลูกแก้วเนี่ยนะเข่าสุดเลยอะ่ะ โอ้โหทำกับพระได้ขนาดนี้นะเสียใจมากก็นะภรรยาทั้งทั้งที่ภรรยาก็ขอร้องก็ไม่ยอมอะ่ะ น, นี่ก็ได้ทําไปก็เสียใจมากให้พระเนี่ยท่านขอโทษเออขอโทษขอโพยพระใหญ่เลยพระก็มาตั้งอันนี้เข็ดแล้วนะไม่ฉันบ้านโยมเด็ดขาดนะนะตั้งกันนี้เป็นต้นไปสมาทานฉันที่เดียวแล้วไม่ฉันบ้านโยมรักสมาทานทุดงด้วย อนะว่าทีนี้พระนี่เป็นพระอาหารด้วยตอนหลังท่านก็สมาทานทุดงแล้วก็ท่านก็ไม่ไม่ฉันบ้านใครแล้ะรับประชันแล้วลตอนหลังท่านก็นิพพานนายช่างแก้วก็ก็บอกว่าที่ท่านปรินิพพานเนี่ยหรือว่าตายนี่ก็คือตายเพราะถือว่านายช่างแก้วนี่เป็นคนฆ่าเพราะที่ตายเนี่ยเพราะโรคที่ที่ที่นายช่างเนี่ยทำ มันนายช่างนี่ก็สงเคราะห์เป็นอนันตริยกรรมเลไม่ใช่สงเคราะห์เป็นอนันตริยกรรมเลยเพราะว่าตอนทําเนี่ยเจตนาจะให้ตายเลยอ่ะอนะแล้วผู้ที่ทํานั้นก็เป็นทารหันด้วยผู้ที่ถูกทำ น, น่ะนะอันก็เลย <c oughs> ส่วนภรรยาของเขาก็ไปเทวโลกแล้วก็ภรรยาไปเทวโลกไอ้นกกรเรียนนั้นก็มาเกิดเป็นลูกนายช่างแก้วนั่นแหละนะไปเกิดในครันของภรรยาเขานั่นแหละ มันสัตว์ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ถึงจะเกิดในคันเกิด mm hmm. ในสวรรค์คนชั่วก็ไปนรกคนที่หมดกิเลสก็ น, นิพพานเพราะฉะนั้นคนโกรธเนี่ยนะถึงกับฆ่าพระคีานาศพก็ได้ฆ่าปูตูชนก็ได้นะโกรธบางคนเนี่ยโกรธเนี่ยถึงกับฆ่าล้างเมืองก็มีนะความโกรธของเจ้า ว, วิทูตพระเนี่ยนะ ญาติเหยียดยามเนี่ยนะาญาติคือคือศักยะเนี่ยเป็นตระกูลที่มีมา n a มากที่สุดในบรรดาคนมีมา n a ว่างั้นเถอะ mana เนี่ยแก่กล้ามากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปนั่งอาสนะเนี่ยศักยะเนี่ยสั่งให้คนใช้เนี่ยเอาน้ํานมเนี่ยไปล้างที่นั่งของเจ้าวิทูทภะตอนหลังวิทูทตภะเนี่ยรู้เข้าบอกว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นเนี่ยนะศักยะให้คนใช้เนี่ยเอา น้ำนมมาล้างแต่เรานี่แหละจะเอาหูเรียกว่าเลือดในลําคอของศักยะมาล้างต่าง น, นั้นตอนหลังเนี่ยเสนาบดีคนหนึ่งนะวางแผนให้วิทูตภะได้ครองราชนโดยเรียกว่าปลดพระเจ้าเประเซนที่โกศลกลางอากาศอย่างนั้นนะพระเจ้าประเซณที่โกศลเนี่ยขณะที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสนาบดีคนหนึ่งก็วางแผนที่ก็กบฏอนะ จาวิธุธภาะตอนหลังได้เป็นพระราชาก็นึกถึงแค้นอันนั้นเนี่ยนะใช่ก็ได้ยินไหมว่าความแค้นเนี่ยมันต้องชำระด้วยเลือดและน้ำตานะโศสะที่มันผูกพยาบาทก็จะเป็นลักษณะนั้นผูกเวรในขนาดนั้นแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ไปตัดหัวสักยะเนี่ยมาล้างตรงนั้นจริงๆนะคนที่เอ่ยปากว่าเป็นสักยะเนี่ยถูกล้างโคตรหมดนั้นเชื้อสักยะเนี่ยเหลือน้อยมาก เาวิฑูตภะเนี่ยล้างฆ่าจะเกบเลยเพราันวิฑูตภะเนี่ยฆ่าทั้งพระอริยะด้วยฆ่าทั้งปุตุชนด้วยคือสักยะที่เป็นอริยะเนี่ยเยอะมากแต่ก็ถูกฆ่าไปมากแล้วก็สักยะที่ไม่เป็นอริยะนี่ก็ถูกฆ่าไปเยอะฆ่าจนใครที่พูดว่ะอย่างเช่นสักยะบางคนเนี่ยถือญาอยู่ใช่ไหมแกเป็นสักยะไหมบอกว่าญาถ้าตอบอย่างงี้นะพ้นไปนเพราะั้น แล้วตอนหลังเนี่ยสกยะเนี่ยวิทูตพานี่พอฆ่าเสร็จก็มานอนอยู่ชายหาดติมน้ำตกคืนนั้นเนี่ยฝนตกบนภูเขาเนี่ยท่วมบ่าสกยะเนี่ยตายไปในทะเลเลยนะโหฆ่าภรรยามากขนาดนั้นจะไปที่ไหนเนาะอย่าไปเยี่ยมกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยถึงกับฆ่า ภคีนาศพนะฆ่าปุตุชนลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้นะพระโมคคัลลานะเนี่ยถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยนะขนาดพ่อแม่เลี้ยงดูจนดูมองเห็นโลกก็ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปเลย <c oughs> จริงอยู่สัตว์เหล่านั้น มีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างนะคนโกรธที่ฆ่าตัวเองตายเนี่ยก็เยอะแยะนะขนาดตัวเองเนี่ยรักที่สุดแล้วนะก็บอกว่าส่งจิตไปในทิศทั้งสิบใช่ไหมทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยทิศเฉียงเฉียงอีกสี่ทิศ ทิศข้างบนข้างล่างเนี่ยนะรักตัวเองมากที่สุดในโลกขนาดนั้นก็ยังฆ่าตัวตายเลยนะฆ่าตัวด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกถึงความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธนะก็ไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไปขณะที่โทสะมันเล่นงานมันกลุ่มรุม เรียกว่ามันท้อแท้สิ้นหวังงอเออเรียกว่าเสื่อมซึมหดหมูโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่แม้แต่นิดเดียวเลยนะนึกถึงใครพอที่จะให้โสภาซากอย่างหนึ่งไม่มีเลยนึกหาใครพอที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็ไม่มีซากอย่างเดียวเนี่ยนะนั้นคนถึงก็เลยฆ่าตัวตายว่าไงนะชีวิตนี้มองเห็นแล้วมีแต่ความพ่ายแพ้ปลาชัยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความพรมานเลือกเกินว่าน้น อย่าอยู่เลยพังค่ะมันคนที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะมีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจมีแต่ความกดดันน่ยนะถึงกับทำลายตัวเองได้เพราะฉะนั้นตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมัจจุราชนะไอ้โทสะนี่นะมันเป็นบ่วงของความตายอย่างหนึ่งเหมือนกันมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยโทสะนี่อาศัยอะไรเกิดอาศัยหาทยวัตถุเกิด นันโทสะนี่มันเป็นศัตรูภายในะนะทำอะไนทีนี้ก็คือเกิดในใจเรานั่นแหละมันบุคคลผู้มัดโกรธถ้าหากว่ามีการฝึกต น, นโทสะนี้อาศัยอาธยะคือถ้ำคือกายใช่ไหมโทสะนี้เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามนะนามมาทำที่เหลือเท่ากับพูดหมดแล้วถ้ำคือกายนะรูปประขันเท่ากับพูดเบ็ดเสร็จหมดเพราะฉะนั้นไอ้โทสะนี้เป็นขันอะไรสังขารขัน นะเป็นสังขารขันเมื่อพูดสังขารขันปั๊บนามขันที่เหลือก็แสดงแล้วเพราะฉะนั้นคนมักโกรธถ้ามีการฝึกตนคือปัญญานะฝึกตนด้วยอธิศีนฝึกตนด้วยอธิจิตฝึกตนด้วยอธิปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิเพิ่งตัดความโกรธนั้นขาดได้นะความเพียรและสัมมาทิฏฐินี้ความเพียรระดับไหนสัมมาทิฏฐิระดับไหนจึงจะตัดความโกรธได้ อาณาคามีมักอนณาคามีมักจึงจะตัดได้นะต้องฝึกให้มันได้ระดับนั้นนะจึงจะตัดได้แล้วก็ถามด้วยนะว่าพระเรยเจ้าสมัยก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนเรานั่นแหละแต่ท่านฝึกตนนะฝึกด้วยอุบายเป็นเครื่องฝึกฝึกตามทำตามคำสอนในศาสนาของพระศาสดานะฝึกด้วยเห็นไมสมาธิฐินะสมาธิฏฐิ ธรรมดาธรรมดาที่สุดระดับไหนกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะตระหนักถึงโทษทายของความโกรธนะความโกรธนี่ถ้ามันเกิดขึ้นชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ได้นะแล้วความโกรธนี่ทําจิตตชรูปไหมทำนะทาจิตตชรูปทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วแหละนํามามซึ่งโรคภัยมากมายหลาย10บชนิดนักแล้วก็ความโกรธนี่เกิดขึ้นนะยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยอีก ชาวนะแรกก็เบาหน่อยชวนะต่อต่อไปเนี่ยนะโกรธวันนี้ก็อ่อนนิดนึงโกรธพรุ่งนี้ก็เพิ่มดีกรีเข้ามาอีกหน่อยเหมือนกันเหมือนกับยาเสพติดนั่นแหละมันได้เพิ่มไเรื่อยเรื่อยเรเห็นว่าสมาธิฏฐิสามารถที่จะยังถึงว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะหรือโทสะนั้นเนี่ยนะล่วงมาทั้งกายกรรมวจีกรรมนํามาซึ่งทุกโทษอันสักทั้งหลายที่ยังละโทสะได้ไม่เด็ดขาดก็จาก อบายสู่อบายเป็นต้นเนี่ยงนั้นกรรมมักาตาสัมมาทิฏฐิเมื่อมั่นคงดีขนาดนี้แล้วก็ปรารภวิปั ส, สนาสัมมาทิฏฐินนะโทสะนี้ได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดปัจจัยก็ไม่เกิด น, นะไอ้หมดปัจจัยก็คือได้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะการฟังเรื่องเมตตาเป็นต้นการฟังเรื่องโทษของความโกรธการพิจารณาโทษของความโกรธนั่นแหละคือปัจจัยเพื่อละความโกรธแต่ละโดยแต่ทางข้าประหาร ความรู้อันนี้ถ้าบุคคลเสริมเติมอบรมมากขึ้นก็สามารถที่จะตัดได้เป็นสมุเฉทประหารได้อันความเพียรและสามมาทิฏิเนี่ยนะจึงจะสามารถตัดความโกรธขาดได้บัณฑิตเพิงเพ่งตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาดนะคําว่าตัดตัดนี้แปลเป็นบาลีว่าประหารนะนะโอ้เก่งมากเลยประหารมีห้าอย่างนะ ชั้นต้นที่สุดนี้คืออะไรบ้างแต่ทางค้านะแต่ทางค้ามีกี่ระดับแต่ทางค้าต่ําเลยนะทานนักุศลก็เป็นแต่ทางค้าเหมือนกันนะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะละความโกรธอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้นะเออเวลาให้ทานนี่ยโอ๊ยขอให้ทานนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อตัดความโกรธเถอะเวลาให้ทานตั้งความปรารถนานี้บ่อยๆนะละได้นะมันอาจจะไม่เห็นผลขณะนั้นก็ช่างเถอะ แต่มันได้อุปนิสัยนะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอธิษฐานเลยและตั้งความปรารถนาขอกุศลอันนี้จงเป็นไปเพื่ออยาให้เห็นโทษของความโกรธจริงๆเลยทําบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ตั้งความปรารถนาแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆปีเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาเทียบระดับดีกรีความโกรธนะปีนี้กับปีที่แล้วอันไหนโกรธกว่ากันนะจะห่างกันเยอะนะความโกรธนี่จะลดไปเยอะเลยถ้าทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. แล้ว มันอธิฐานตั้งตั้งจิตลักษณะนี้บ่อยๆขอให้จงเป็นไปเพื่อเห็นโทษของโทสะเนี่ยนะตั้งทํากุศลลักษณะนี้บ่อยๆมากๆเข้าก็เป็นปัจจัยให้นะกุศลจิตเนี่ยเกิดบ่อยๆได้แล้วก็เป็นกุศลจิตที่เห็นโทษของความโกรธ <c oughs> อการที่ทํากุศลในลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของแต่ทางฆ่าประหารศีลกุศลนี้เกิดขึ้นก็เป็นตทางฆ่าประหารในการละโทสะนะ คนที่มีโทสะนะศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์นะกรักจะตู่บริสุทธิ์ที่ศีลไม่ค่อยดีเพราะว่าศีล น, นี้เป็นธรรมะในการละปฏิปักต่อโทสะจริงๆครันคนที่มักโกรธนั้นจะศีลก็ไม่ไม่ถึงกระดีนั ก, ก น, นะแต่ก็ในแง่าปาติโมกอาจจะไม่ล่วงแต่อินทร์สังวรก็ขาดบ่อยนะขณะที่โกรธก็ปัจจะญาสานิสิตศีลก็เสียหายบ้าง ความโกรธนั้นละด้วยศีลก็เป็นแต่ทางค่าประหารวิปัสนาแต่ละอย่างนะก็เป็นแต่ทางค่าประหารในการละโทสะและก็อริยมรรคก็ละโทสะได้เด็ดขาดโสดาปฏิมรรคนั้นละโทสะที่นําไปเกิดในอบายได้เด็ดขาดนะโทสะที่เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นนะโทสะที่เป็นเหตุให้ทําบาป ผิีลห้าพระโสดาบันละได้เด็ดขาดสกอทาคามีมักเนี่ยละความละโทสะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าใครด่าเนี่ยปกติคนอาจจะโกรธร้อยหนึ่งเนี่ยพระสกอทาคามีโกรธห้าสิบนะอ๋เบาแล้วนะเขาบอกว่าโกรธเสมือนหนึ่งไม่โกรธแล้วไม่ได้แสดงออกง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเป็นพระนาคามีเนี่ยนะทํายังไงก็ไม่โกรธตัดหัวก็ไม่โกรธ ไม่มีเชื้อแห่งโทสระเลยนะเอาท่านไปเรียกว่าเอาของหอมมาลูบข้างหนึ่งเอาของเหม็นมาลูบอีกข้างหนึ่งท่านก็ไม่โกรธนะยังไงก็ไม่โกรธนะนะเอาเนื้อปาดเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นออกท่านก็ไม่โกรธเพราะโธสระไม่มีแล้วนะแต่ท่านเจ็บไหมเจ็บ <że S 1> <conclusions. S 2> แต่ชวนะที่เป็นโธสะไม่มีเพราะตัดเชือนะเช้อได้ขาดแล้วนะตัดเชื้อได้ขาดแล้วนะตัดเชื้อแห่งโธสะได้ขาดแล้ว แต่ว่ากว่าจะตัดได้ขนาดนั้นก็อริยมรรคเกิดนั่นแหละจนถึงจะตัดเชื้อแห่งโทสะได้ถ้าอรหันต์ก็ตัดเชื้อแห่งอวิชชาได้ก็ดับขันปรินิพพานอรหัตมรรคทั้งหมดนี้เป็นสมุทเฉทประหารผลเป็นปฏิปัสสทิประหารนิพพานเป็นนิสระณะประหารประหานะแปลว่าการละนิสรณะนี่แปลว่าการ สลัดออกนะสลัดออกจากโทสะได้อย่างเด็ดขาดจริงๆเพราะฉะนั้นพึงศึกษาในธรรมะเหมือนอย่างนั้นศึกษาเป็นชื่อของสิกขาสามนะคำว่าศึกศกษาศึกษาก็คือศึกษาด้วยสมถะและวิปัสสนานะบทว่าตเทวธรรมเมสิกเขถะความว่า บุคคลพึงตัดอกุศลเสียได้โดยประการใดพึงศึกษาแม้ในธรรมะคือสมถะและวิปั ส, สนาโดยประการนั้นนะจะตัดอกุศลรธรรมคือโทสะโดยประการใดอาศัยสมถะและวิปั ส, สนาอย่างไรก็พึงศึกษาอย่างนั้นแหละเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความรลษยา ฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานขะะันพระสูตนี้จบที่ที่ไหนพสูตนี้แสดงถึงอรหัตตมรรคเรียบร้อยหมดคนมีบุญก็ได้บุญไป <c oughs> คนที่ฟังเข้าใจอย่างสูงก็รู้ว่าพระสูตนั้นพระองค์ตรัสถึงระดับอริยมรรคอริยผลนิพพานเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าพวกโจรที่ประพฤติตำช้าพึงใช้เลื่อยที่มีด้ามทั้งสองข้างตัดเอาไว้ว่าแต่ละส่วนภิกษุรูปใดพึงทำใจให้โกรธแค้นแม้ในพวกโจร น, นั้นเพราะเหตุที่ทำให้ใจทำใจให้โกรธแค้นนั้นภิกษุรูปนั้นหาชื่อว่าเป็นผู้กระทำตามคำสอนของเราไม่ดังนี้ขออนุมทนการถามว่าภิกษุรูปนี้เป็น พระอรหันต์หรือเปล่าครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นนะผมว่าคือคําสอนนี้เป็นคําสอนที่พระองค์ได้ให้โอวาดพระข่าอะไรนะจําได้ไหมวันนั้นนะพระโมริยะพักคุณะนะพระโมริยะพักคุณะนี่ซึ่งคลุกคลีกับภิกษุณีมากนะซึ่งถ้าหากว่าใครไปว่าภิกษุณีเข้าพระโมริยะพักคุณะนี่ก็จะหาเรื่องแหละถ้าหากว่าภิกษุรูปใดไปตําหนินางภิกษุณีรูปหนึงรูปใดเข้าพระโมริยะพักคุณะนี่ก็จะหาเรื่อง ก่อขุนขึ้นเรื่องราวอาธิกรณ์ในสง์ก็เกิดขึ้น บ, บ่อยๆพิสูจก็เลยนะยกเรื่องนั้นไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเรียกพระโมริยาภักุนะแล้วก็ประชุมสงและพระองค์ก็ทรงแสดงคำนะบอกว่าอย่าไปโกรธนะเวลาเขาว่าเธอเขาด่าเธอก็อย่าไปโกรธเขาตําหนิพิสุนีก็อย่าไปโกรธนะองค์ก็คือเป็นโอวาทเป็นคําสอนที่เพื่อสอนไม่ให้โกรธโดยทายเดียวทีนี้ก่อนที่จะจบพระสูตรนี้พระองค์ก็ ตรัสถึงข้ออุปมาอันนี้ท่จริงใ น, รในสูตรนั้นนี้มีอุปมาหลายอย่างมีอุปมาเหมือนกับแผ่นดินอย่างนั้นเถอะมีอุปมาเหมือนกับน้ำอุปมาเหมือนกับอากาศอุปมาเหมือนกับหนังแมวอ่ะนะที่ฟอกอย่างดีและแล้วก็อุปมาด้วยเลื่อยกากาโจนี่ก็คือเลื่อยนั่นเองพระสูตรที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าขนาดว่าเขามาตัดมาเลื่อยนี่ก็อย่าไปโกรธนะ นันพิกสุที่อยู่ตรงนั้นนี้ก็แสดงว่าพิกสุที่พระองค์โอวาาอย่างนี้ก็คือหมายถึงพระที่ยังละโทสะไม่ได้คือในขณะที่โทสะเกิดวิปัสนาเกิดไหมไม่เกิดนะขณะนั้นไม่เกิดขณะที่โทสะเกิดวิปัสนาไม่เกิดเมื่อวิปัสนาไม่เกิดเนี่ยนะวิปัสนาเป็นซัพบไหม <อ pour S 1> เป็นซับใช่ไหมโทสะไม่ใช่ซับโทสะนี้เป็นไปเพื่อ เพื่อทำลายสมถาวิปั ส, สนานั่นแหละเพราะนั้นคนที่จะละความโกรธได้ก็ต้องเห็นโทษของโทสะจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้พระองค์ก็แสดงเรื่องโทษของโทสะมาแล้วว่าโทสะนี้เกิดขึ้นเนี่ยเสียหายอย่างไรบ้างนะแม้แค่ศูตร์เมื่อกี้ใช่ไหมจะเสียหายประโยชน์ตั้งมากมายอย่างเช่นเมื่อคนที่มีโทสะเนี่ยนะถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันต์ฆ่าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนะทำผิดศีลผิดธรรมตั้งหลายข้อ โทสะเหล่านี้เมื่อทําอย่างนั้นเนี่ยผลของโทสะถ้าให้ไปเกิดในอบายเนี่ยนะถามว่าเสียหายขนาดไหนใช่ไหมเกิดในอบายแล้วสมมุติเกิดเป็นเดรัจฉานไวแล้วเนี่ยเสียหายขนาดไหนใช่ไหมชาวนานะชาวนะวนะหรือปฏิสนธิจิตนะผวังขจิตเป็นต้นเนี่ยผวังขจิตก็เป็นผวังที่ไม่มีปัญญาประกอบ เมื่อผวังที่ไม่มีปัญญาประกอบแล้วจะมาฟังธรรมมาศึกษาธรรมะม า, มารู้ภาษาได้อย่างไงก็ยากเพราะชวณะที่ที่เกิดต่อจากผวังที่เป็นอเหตุกาจิตเนี่ยฉลาดน้อยแม่แต่ปฏิบัติเพื่อบรุมัมรคนิทานก็ไม่ได้นาคราชท่านหนึ่งเนี่ยนะเกิดทันพระผู้มีพระภาคฟังธรรมมีสัพาแต่ก็ไม่ได้บรรลุมรคลเพราะคติวิบัต เพราะตัวเองเกิดเป็นนาบอดเลยอ่ะใช่หมเทวดามนุษย์ทั้งหลายเขาบรรลุกันเพียบหมดตัวเองนี่อาภัพอยู่คนเดียวเลยอาภาพัพคำว่าอาภัพนี่ก็คือไม่ควรแกการปรสรุธรรมนั่นเองอันตัวเองก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมนี่นี่ธรรมดาแล้วประษาทรุปนะพวกตาก็เป็นตาแบบสัตว์ในอบายถ้าตาแบบตาเสือนี่ใครอยากดูบ้างใช่ไหม ไม่ใช่สำนวนที่ว่าตาศพพบตาเสือแม้นได้เหลือให้ศพตอบเหมือนกันอย่าไปอย่าไปหนีนะมันหนี้เดี๋ยวมันกัดเอาหมดอนกถ้าเกิดเป็นสัตว์ในอบายแล้วเนี่ยอย่างหูเนี่ยเอาหูมาฟังธรรมก็คงยากเต็มทีใช่ไหมเกิดเป็นนกเกิดเป็นหนูเกิดเป็นปูเกิดเป็นไก่เกิดเป็นอย่างสัตว์อย่างอื่นแล้วเนี่ยลําบากแล้วนะรูปร่างกายเนี่ยก็ยากแล้วนะถ้าเป็นสัตว์บางตัววิ่งมาเนี่ยเราเนี่ยแผ่นกันแนบหมดแหละเชื่อ ลงอางมาตัวเท่านี้อะธรรมะก็ธรรมะไปก่อนองูคว่างค้อนกระโดดมาเย้งเย้งเย้งเย้ ง, ยงเนี่ยเราก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การเกิดแล้วมันสูญเสียหายมากมายมหาศาลถ้าเกิดในนรกเกิดในกําเนิดเปร์อย่างเงี้ใช่ไหมอดอยากหิวโห้ยเราจะมานั่งอยู่อย่างเงี้ไม่ได้หรอกท้องมันหิวอะ่ะนะ ท้องมันหิวจริงๆเนี่ยก็ฟังทําไม่ได้สติปัญญาชาวนะที่จะมาเกิดอย่างดีก็ยากและใช่ไหมสติปัญญาก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าหากว่าเกิดแล้วถ้าโทาสะนี่นะให้พ้นมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็เป็นมนุษย์ที่มีผิวพันธ์าไปที่ไหนเขาก็รังเกียจ น, นะคนหน้าตาไม่ดีเขาอยากให้ไปที่ไหนบ้างเขาไม่ค่อยอยากพาไปง่ายๆหรอกเชื่อคนที่มีผิวพันธ์ไม่ดีก็จะเป็นในลักษณะนั้นใช่ไหม ใครอยากมีแฟนคนไม่งามบ้างขี้เหรที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่างเงี้ยมีไหมหายากนะเว้นไว้แต่มีองค์คุณอย่างอื่นอีกนั่นแหละมีองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นนะฐานะดีทรัพย์ดีตระกูลดีอะไรมันดีดหลายอื่นมาเป็นองค์ประกอบมากรบไอไความผิวพรรณสามอันนั้นเอาไว้จึงจะได้ดีเพราะไอโทรศัพท์เนี่ยนะซึ่งมันเป็นผลทําให้เกิดเป็นคนมดัดโกรธแล้วก็ไม่ดีโดยตระการทั้งปวงอันแหละอันมันเสียหายประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว โทสะไม่ได้เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพานด้วยนะเพราะว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะแม้แต่วินัยปิฎกก็ไม่ปฏิบัติตามพระบางองค์นี้โทสะเกิดนะพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยอย่างโกรธเลยงันขณะที่โกรธเนี่ยไม่ได้มีความเจริญงอกงามในคําสอนแล้วนี่แหละพระองค์แสดงสมถาวิปัสนาเป็นต้นถ้าโกรธนี่ก็เสื่อมหายก็เหมือนกับพนางมาคันธยาณนะที่โกรธพระพุทธเจ้าอะ่ะใช่ไหม สูตรเดียวกันนี้พ่อแม่ฟังแล้วเป็นพระอนาคามีพระนางมาคันธยาเนี่ยผูกโกรธพระพุทธเจ้าผูกโกรธถึงขนาดที่ว่าเนี่ยเจอสมณะโคโดมที่ไหนก็ต้องว่าชิบหายไปไปข้างหนึ่งนั่นแหละพยาบาทขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะพยาบาทมากขนาดนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยตัวเองก็เฉพาะในชาตินี้เนี่ยก็ถูกเฉือนเนื้อออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปทอดแล้วมากินเองนั่นนะและแลก็ ผูกฆ่าแบบทรมานที่สุดแล้วก็ไปในรกเพราะว่าจ้างด่าพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดวันนะวางแล้วด่าใครไม่ด่าด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอด่าคนมีกิเลสก็พอทํานาแล้วนะด่าคนมีกิเลสล้านคนเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าคําเดียวเท่านั้นแหละหนะไอ้ด่าพระพุทธเจ้าคําเดียวนั่นแหละให้ผลเผ็ดร้อนเหลือเกินนั่นแหละก็อย่างนึกถึงประวัติของพระนางอัมพปาลีเทรีย ไอาชาติสุดท้ายที่ไปเดินรอบพระเจดีย์ไปเห็นน้ําลายก้อนเดียวท่านั้นแน่โอ้โหญิงแพทย์สยาคนไหนมาถมน้ําลายแล้วไปคํานั้น น, นแม่จอกคุณเนะเป็นแพทย์สยาสมพรปากเลยอ่ะทั้งชาติเลยถามว่าดีไหมนนแมแ่แม่แต่ชื่อคนทั่วไปก็ไม่ค่อยอยากฟังแล้วใช่ไหมนั่นแหละนั้นโทสะนี่เวลามันเกิดขึ้นก็จะมีโทษเสียหายเนี่ยนะแล้วก็กรรมใดที่เกิดขึ้นจากโทสะเนี่ย กรรมนั้นเนี่ยไม่น่าปรารถนาโดยประการทั้งปวงพั้งขณะที่โกรธขึ้นทานศีลภาวนากุศลธรรมบารมีธรรมก็ไม่เกิดเลยแม้แต่อย่างเดียวและก็สะสมอุปนิสัยที่ไม่ดีด้วยนั้นพระองค์เห็นโทษเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละพระองค์จึงบอกว่าคนที่โกรธเชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอวาทเพราะโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาขณะที่โกรธก็ไม่ใช่อธิศีลนะ่ย ขณะที่โกรธก็ไม่ใช่อธิจิตขณะที่โกรธก็ไม่ใช่อธิปัญญาอั้นเมื่อไม่ใช่อธิศีณาธิจิตอธิปัญญาก็ตรงกันข้ามเป็นกันหะทำมาเป็นธรรม ด, าดําเลยเป็นธรรมดำเป็นธรรมเลวเป็นธรรมที่มีโทษมากมายมหาศาลอัน้นศาสนาของพระผู้มีพระภาคก็คือคําสอนเป็นศาสนาที่เป็นไปเพื่อละโลภะโทสะโมหะนั่นแหละอัน้นอริยธรรมทั้งหมดเลยนะคำสอนที่เป็นภาพปริยติธรรมก็เป็นคําสอนเพื่อกําจัดกิเลส อริยมรรคอริยผลหรือนิพานก็เกิดขึ้นเพื่อกําจัดกิเลสนั้นโทสะนั้นเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองนะเพราะจิตของคนที่โกรธแล้วขณะนั้นเศร้าหมองนะจิตนี้ไม่สดชื่นเพราะว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเผาปีติอย่างเห็นได้ชัดนะปีติไม่เกิดร่วมกับโทสะนั้นบอกว่าโทสะนี้เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตมันแห้งแล้งจริงๆนะอย่าไปโกรธเลยนะสรุปแล้วไม่ดีอ่ะ มีจะกราบเรียนถามว่าพระโพธิสัตว์ชาติชาติสุดท้ายเนี่ยนะท่านท่านได้สะสมบารมีมาสิบสามสิบทัศนนะแสดงว่าท่านท่านก็ไม่โกรธแล้วชาติชาติสุดท้ายนี่ไม่โกรธไม่เคยโกรธเลยใช ไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าปกติแล้วไม่เคยไม่เคยได้ข้อมูลว่าชาติสุดท้ายท่านโกรธใครเลท่านโกรธก่อนที่จะตรัสรู้เจริญพรไม่ไม่โกรธชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะมีมีมีโกรธอยู่ครั้งเดียวที่ที่ที่พบในชาติพระเวสสันดรก็คือโกรธเมื่อชูชกเนี่ยเคี่ยนตีลูกมากอเคียนตีเคี่ยนตีต่อหน้าต่อตาแบบมันเกินไปอ่ะคล้ายแบบนี้นะสํานวนเราก็แบบน่าโกรธจริงๆนะจะมีโกรธตรงนั้นแหละ เสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยพอพระอินทร์ให้พรปั๊บท่านอธิษฐานคือทำบุญแล้วอย่ารู้สึกเสียใจในภายหลังนั่นแะ<ช>แต่มีนะพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ที่ท่านให้ลูกเป็นทานแล้วก็ขนาดยักษ์เนี่ยเคี้ยวกินลูกนะดีใจเลยนะปีติมีองค์ห้าเกิดขึ้นอ่ะอยักษ์เคี้ยวกินเนี่ยเลือดแตกต่อนหน้าเลยนะท่านโสมนัส ด, ดีใจมากและอธิษฐานว่าด้วย ด้วยผลอันนี้เนี่ยผลบุญอันนี้ขอให้ท่านมีรัศมีเนี่ยออกเป็นจักรวาลท่านพระโพธิสัตว์ชื่อว่ามังคละพระพุทธเจ้าชื่อว่ามังคละเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่สว่างเพราะรัศมีของท่านสว่างกว่ า, ท, าท่านท่านทําบารสร้างบารมีขนาดนั้น <S <S <ไ>แล้วก็เอาไฟจุดตัวเองเนี่ยเผาเผาตัวเองเนี่ยนะให้เป็นน้ํามันเชื่อเพลิงบูชาพระพุทธเจ้าได้อ่านพระโพธิสัตว์จัดส่วนใหญ่ว่าจะ แค่ว่าท่านท่านทำในคนที่ไม่ค่อยคิดหรอกแต่ที่อินเดียนี่มีคนเขาทําอย่างนั้นจริงๆเลยนะบางคนเนี่ยคลานไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยนะเขาทําจริงๆนะคนไทยอาจจะที่ว่าศรัทธาลักษณะนี้ไม่มีแต่ที่ต่างประเทศเขามีจริงๆคลานไปเลยเนี่ยนะคลานไปถลอกปอกเปิืกหมดเพื่อที่จะไปบูชานี่นะคนลักษณะนี้มีอยู่นั่นแหละแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคนอินเดียเนี่ทยทนะ า, าจริงๆเลยนะศรัทธาก็ศรัทธาจริงๆเลยอะ เขาบูชาขนาดนั้นแล้วว่าผลแห่งการบูชานั้นไม่ใช่ว่าจักไม่มีนะแต่ก็ยังว่าก็ต้องดูระยะยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นกรร ม, มสกตาปัญญาของเราเนี่ยอย่าได้มองอะไรให้ให้เป็นทิฏฐธรรมท่ายางเดียวนะให้มองเป็นอุปชาเวทนิยกรรมด้วยให้มองเป็นอัปราปริยะเวทนิยกรรมด้วย